ตคุณเทิครับแ่เทครับผมเคยมาปผมไม่เคยมาครับไม่เคยมาลูกสาวตื่นมาแล้วูกสาวชวนให้มาอนะาไรใช่ uh, าาครับมาเพื่ออะไรเป็นมาฟังทิครับอืมจริงเทิดเดียนี้ก็มีแผ่น c ีดีฟังให้มาอะไร จะมาที่ต้องต้องมามาถามมี อ, อะไรอยากจะรู้อะไรเพราะว่าที่สังเทศอาจจะไม่ตรงกับที่เราอยากจะรู้ข้ามาถามได้จะได้ไดมีอะไรอยากจะถามด้วล่ะถามเลยถามได้เลยถามเรื่องงานเรื่องงานได้นะครับ อะไรก็ได้แต่จะตอ บ, ตอบอเรื่องตอบได้หรือไม่ได้เรื่องงานที่ศุนโวงที่เข้าแต่จัดสรรผ่นาน20ไร่นนเนี่ยก็จะให้ทำเลนถนนเนี่ยอผมีะทาแบ่งแยกแปลงแล้วก็ส่งต่อผ่านเพื่อเอาขายเลยจะจะได้ไหครับถ้าทาได้ใช่ไหมถ้าให้ผิดกฎหมายะไมไ่ผิดกฎหมายอา่า<ม>ที่ทำแล้วจะมีคนซื้อไหมนัม่นก็กเรื่องเราเราทําในลักษณะที่ว่า ทำผังตีผังเสร็จสรพเรียบร้อยแล้วแล้วก็สาธุพระพวกทุกอย่างไม่ว่าไฟฟ้าประปาท่อระบายน้ำานนองนี่แล้วก็ทำเสร็จแล้วก็ส่งต่อให้เขาคนที่จะซื้อเนี่ยเอาไปทำกำไรจริงได้ก็ทำไปที่ยังมีคนซื้อหรือไม่ก็อีกเรื่องนะมาการค้าขายมันก็อยู่ที่คนซื้อ ถ้ามีคนซื้อมันก็ขายได้ถ้าไม่มีคนซื้อมันก็ขายไม่ได้ร้งานที่ภูกเก็ตนี่เจ้าของโรงแรมที่พัฒนาสองแหงไม่ทราบว่าโครงการมีความเป็นไปได้ไหมอันนี้ก็ต้องไปถามวิศวกรกนคนที่เขา ทำงานด้านนี้โดยตรงคือทางเจ้าของเขาอยากจะลงทุ น, ทนเพื่อที่จะสร้างไปส่วนต่างขึ้นถ้าเงินพร้อมมันก็สร้างได้ถ้างเงินไม่พร้อมมันก็สร้างไม่ได้ไม่เป็นไรเนาะถามเฉยๆราก็ตอบไปตามแล้ว เ, <c oughs> เราก็ตอบ ไ, ไปตามความ ความสามารถของเราถ้าพูดโดยเหตุด้วยผลทางโลกทางธรรมมันก็อยู่ที่เหตุที่ผลมันไม่ได้อยู่ที่ตาในว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะอนาคตมันยังไม่เกิดพระอาจารย์ทีเพือ่อนคนหนึ่งเนี่ยเข้าแบบเข้าเนี่ยเคยล่ำรวยเค ย, เคยเคยเรียนด้านโฆสถาอะไรมาก่อน พอตอนนี้เนี่ยเขาแบบเขาแบบว่าสภาพชีวิตเขาเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือเขาเป็นอมตะอมทอามีาามเขาขเลยจะคิดเขารู้รเลยจะคิดค่าต่างๆเขอเลยควรจะให้ทำมากเขายังไงดีคือมันจะควรจะให้เมื่อ20ปีก่อนตอนก่อนที่จะไม่มีอนนี้มันสายไปแล้วเอให้ได้แต่จะทําได้หรือเปล่า ถ้าทำได้นก็สบายคือให้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนการหาความสุขเปลี่ยนที่พึ่งใหม่อันนี้เขาพึ่งร่างกายทีนี้ร่างกายพึ่งไม่ได้แล้วเขาก็เลยทุกให้เขามาเปลี่ยนที่พึ่งใหม่ให้มาเปลี่ยนมาพึ่งธรรมะแทนให้มาปฏิบัติธรรมแทน ใหาเองต้องไปผ่าตัดกระดูกสันหลังแล้วก็มันทับเส้นเลือดก็เลยปเป็นอันพุทธรรมาดจอ่าอันละร่างกายมันเต็มที่พึ่งได้ชั่วคราวพอมันไม่สามารถเต็มที่พึ่งได้เราก็ต้องเปลี่ยนที่พึ่งแต่ถ้าเราไม่เตรียมตัวไว้ก่อนนะพอถึงเวลาจะเปลี่ยนนี่มันอาจจะไม่ทันการพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาสร้างที่พึ่งใหม่กัน ก่อนที่ที่พึ่งเก่าคือร่างกายมันจะหมดสภาพไปเรนมีที่พึ่งอีกที่พึ่งหนึ่งแต่เราไม่เราไม่พึ่งกันเป็นที่พึ่งที่ดีกว่าร่างกายเพราะที่พึ่งนี้ไม่มีวันแก่ไม่มีวันเจ็บไม่มีวันตายให้มาพึ่งธรรมะให้พึ่งสติให้สร้างสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วใจจะมีความสุขใจจะสงบก็จะไม่ต้องพึ่งร่างกาย ร่างกายเป็นอามตะสมภาาเมียจะทิ้งก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ตอนนี้มันเพิ่งร่างกายเพิ่งเมียให้ความสุขพอเขาจะทิ้งเราพอร่างกายเราไม่สามารถาหาความสุขให้กับเราได้เราก็อยากจะฆ่าตัวตายถ้าเขาเปลี่ยนที่พึ่งได้เขาก็จะไม่ต้องฆ่าตัวตายเพราะการฆ่าตัวตายก็ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหา เพาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะเขายังต้องพึ่งร่างกายพอเขาฆ่าร่างกายนี้ไปเขาก็ต้องกลับมาหาร่างกายอใหม่แล้วพอได้ร่างกายใหม่เขาก็จะไปมีเมียใหม่แล้วเดี๋ยวพอร่างกายไม่สบายเขาก็จะฆ่าตัวตายใหม่มันก็จะวนกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆบางทีเขาิดฆ่าพอร่างกายาไม่สบายใช้การไม่ได้ก็จะฆ่าตัวตาย อันนี้เป็นวิธีของคนไม่ฉลาดของคนที่ไม่รู้ว่ามีที่พึ่งที่ดีกว่าร่างกายที่พึ่งที่ไม่มีความทุกข์ตามมาอันนี้พวกเราเพิ่งในสิ่งที่จะทำให้เราทุกข์ในภายหลังเดี๋ยวข้างหน้านี้ร่างกายเราอย่าไปสนใจคนอื่นเลยสนใจเราดีกว่าตัวเราเองถ้าเกิดเป็นอย่างเขาเราจะทำยังไงถ้าเกิดเราเป็นมามะเพึกเ ป, ป็นอมภารไปภรรยาจะขอทิ้งเ เราจะทํายังไงเราจะเฉยๆได้ไหมไม่เดือดร้อนได้หรือเปล่าเน้อเสียใจอยากจะฆ่าตัวตายคนจะดูความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นบทเรียนสอนตัวเราดีกว่าเพราะตัวเราก็ตกอยู่ในที่นั่งอันเดียวกันเราก็อาจจะเป็นเหมือนเขาได้ใครจะไปรู้คพื่อนนี้อาจจะเดินหกล้มเลื่อนศีรษะปาดพื้นเป็นอามภพอามภาะาไปก็ได้ ตอนนั้นเราจะทํำยังไงตอนนี้เราเราไม่พึ่งร่างกายได้ไหมเราอยู่เฉยๆโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพาเราไปนู่นพาเราไปนี่พาไปดูไปฟังไปกินไปดืนนะ่นได้ไหมเราต้องเฉยๆมีควางศูนย์ได้หรือเปลาเราบีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะอยู่เฉยๆได้ไม่ต้องพึ่งร่างกาย เราสามารถผลิตความสุขขึ้นมาภายในใจของเราได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปหาความสุขจากพรรยาหาความสุขจากการไปรับประทานอาหารการไปดื่มไปเที่ยวไปเล่นกันอันนี้คือสิ่งที่พวกเร า, เาไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาถึงแม้จะพบก็ไม่รู้กันอีกเพราะไม่ค่อยมีใครสอนกันตรงประเด็น สอนให้ทำบุญกันอย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าทำไปทำไมสอนให้รักษาศีลกันสอนให้ภาวนากันแต่ไม่ค่อยได้ทำกันทำได้อย่างมากก็แค่ทำบุญทำทานอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้ทำอย่างจริงจริงจังๆทำพอหอมปากหอมคอั็ไม่ได้ผลจากการกระทำเหล่านี้ การที่เราทำทานนี้ก็เพื่อเราต้องการจะเลิกใช้เงินทองเป็นที่พึ่งเราเอาเงินที่เราจะใช้ไปซื้อความสุขต่างๆนี้เอาไปทำบุญแทนแล้วการทำบุญนี้ให้ความสุขที่ดีกว่าจากการที่เราเอาเงินไปซื้อของต่างๆเพราะการซื้อของต่างๆมันจะทำให้เราติดแล้วก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆ แล้วเราก็จะต้องหาเงินมาซื้อของอยู่เรื่อยๆหาเท่าไหร่ก็ไม่พอแล้วพอเวลาหาไม่ได้ก็จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราเอาเงินที่เราอยากจะไปซื้อสิ่งต่างๆนี้มาทำบุญความอยากจะซื้อสิ่งต่างๆก็จะหายไปพอไม่มีเงินซื้ออะไรก็ไม่เดือดร้อนอาจารย์ไหมนี่คือเป้าหมายของการทำบุญ เป็นวันนี้อยากจะเอาเงินไปซื้อเสื้อผ้าสักสองสามชุดทั้งๆไม่มีอยู่ล้อนตู้เงี้ย <c oughs> ก็เอามาทำบุญดีกว่าแล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากจะซื้อเสื้อผ้าถ้าจะซื้อก็เฉพาะเวลามันไม่พอใช้จริงๆซื้อด้วยเหตุผลไม่ได้ซื้อด้วยความอยากเพราะเราสามารถกำยัดกาจัดความอยากได้ด้วยการทำบุญทุกครั้งที่จะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากตา่าง เอาไปทำบุญด้วแล้วลทบุญจะทำให้เรามีความอิ่มใจสุขใจจะทำให้เราตัดความอยากซื้อข้าวซื้อของตัดความอยากใช้เงินทองได้แล้วลต่อไปเวลาเราไม่มีเงินทองเราก็จะไม่เดือดร้อนื่อเวลาร่างกายเราไม่สามารถพาเราไปซื้อข้าวซื้อของไปทำอะไรได้เราก็ไม่เดือดร้อนเราอยู่บ้านเฉยๆเราก็มีความสุขได้ อันนี้นระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่ยังไม่เต็มร้อยการทําบุญทาทานนี้ก็จะช่วยทำให้เรามีความเย็นมีความพอใจในระดับหนึ่งทำให้เราไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองไม่ต้องไปลิ้นลนหาเงินหาทองกันมาหาเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะยิ่งหาได้มากก็ใช้กันมาก มันก็หาได้มาเป็นแสนก็ซื้อรถราคาเป็นแสนพอหาได้เป็นล้านก็ซื้อรถราคาเป็นล้านมันก็ลดเหมือนกันไม่เห็มันก็พาเราไปไหนมาไหนได้เหมือนกันแต่พอมีเงินล้านแล้วขี่รถเงินแสนไม่ได้แล้วต้องขี่รถเงินล้านพอมีเงินสิบล้านก็ต้องขี่เงินขี่รถราคาสิบล้านะ มันก็ลดเหมือนกันบ้านก็เหมือนกันมีเงินเป็นแสนก็อยู่บ้านราคาแสนได้พอมีเป็นล้านก็ต้องอยู่บ้านร า, าราคาเป็นล้านพอมีสิบล้านร้อยล้านก็ต้องอยู่บ้านราคาร้อยล้านมันก็บ้านเหมือนกันแล้วพอเวลาไม่มีก็เดือดร้อนเคยอยู่ร้อยล้านเนี่ยมาอยู่บ้านสิบล้านก็อยู่ไม่ได้แล้วมันต่ําต้อยเกินเนี่ยปัญหาของใจเรา ถ้าไม่ควบคุมความอยากมันจะพาให้เรานี่ต้องดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาแล้วได้มาเท่าไหร่ก็เหมือนเดิมคือไม่พอไม่อิ่มไม่สุดยังอยากจะได้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วสิ่งที่มาสนับสนุนเรามันไม่มีความที่จะสนับสนุนเราไปได้ตลอดร่างกายเราก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆเรี่ยวแรงก็จะน้อยลงไป คามสามารถจะหาเงินหาทองมันก็น้อยลงไปและเงินทองมันก็ไม่ใช่หาง่ายๆดังนั้นเมื่อกี้ก็มาถามว่าจะทำยังไงดีทำอย่างนี้เราจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่มีใครรู้หรอกถ้าไม่ลองทำดูทำไปแล้วก็รู้เองได้หรือไม่ได้แต่ถ้าไม่ต้องใช้เงินทองก็ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องราวนี้เราไม่ต้องกังวลเลยเรามีข้าวกินวันละมื้อเราก็พอนะ ไม่เคยใช้เงินใช้ทองซื้ออะไรอยู่ยกับบ้านอยู่กับวัดอยู่ในกุฏิสบายนอนพักผ่อนนี่ดีกว่าร่างกายแข็งแรงไม่สะบักสะบอมเยเราใช้ร่างกายกันแบบโหดร้ายทารุณใช้ในการหาเงินหาทองหากินแล้วยังไม่พอยังใช้มันไปเที่ยวอีกเวลาพักผ่อนก็ไม่มีใช้มันกินอาหารที่เป็นพิษต่างๆ เรื่องดื่มที่เป็นพิษต่างๆแล้วก็มาเป็นมาเร็งกัน น, น, นั่นแหละลก็เรากินกันแบบตามความอยากกันไม่ได้กินตามเหตุตามผลไม่ได้กินตามความต้องการของร่างกายอันไหนมันเป็นพิษเป็นพายก็ต้องอย่าไปกินมันแต่เราไม่รู้ว่าเราอะไรชอบเราอยากกินไปหมดก็เป็นความสุขประเดียวประดาแต่ ความทุกที่ตามมานี่ยมันไม่คุ้มค่าอยู่คนจนๆนี่อยู่อายุยาวเนี่ยหลวงปู่น้องตาแต่ละรูปนี่ท่านเก้าสิบกว่าเป้นไหมนะคนรวยๆนี่หกสิบเจ็ดสิบบางทีก็ไปแล้วหัวใจวายบ้างเครียดทำมาหากินเครียดกับเรื่องนั่นเครียดกับเรื่องนี้นอนหลับพักผ่อนไม่พอเพียงนอนไม่หลับ กินยานอนหลับยาก็เป็นมีส่วนที่ไปทําส่วนความเสียหายให้กับร่างกายของทุกอย่างที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาเนี่ยมันมีทั้งคุณมีทั้งโทษกินเข้าไปนี่มีทั้งคุณก็ ม, มีทั้งโทษไม่เหมือนของที่เป็นธรรมชาติของจากธรรมชาติไม่ค่อยมีโทษเพราะความอยากคิดว่า ซื้อของที่อคนอื่นซื้อไม่ได้นี้เป็นของวิเศษแต่เหมือนกับเป็นโทษดังนั้นพระพุทธเจจึงสอนว่าเราเลิกมาพึ่งเงินทองกันดีกว่าเรามาพึ่งธรรมะกันดีกว่าเรามานั่งสมาธิกันทำใจให้สงบดีกว่า ถ้าเราไม่หาเงินเราก็จะมีเวลามานั่งสมาธิกันที่ไม่มีเวลาก็เพราะว่าต้องหาเงินหาเงินเพื่อจะได้เอามาใช้ใช้หมดก็ไปหาใหม่ก็เลยไม่มีเวลามานั่งสมาธิกันสมัยนี้วันพระไม่หนีนะประเทศไทยเป็นเมืองพุทธแท้ๆ แ, แต่คนสมัยนี้ไม่รู้ว่าวันพระเป็นวันไหนนะเราไม่รู้ว่ามีวันพระไว้ทาอะไร มีวันพระไว้สาหรับให้เรามาเปลี่ยนที่พึ่งกันมาสร้างที่พึ่งใหม่กันให้มาพึ่งธรรมะกันเลิกพึ่งเงินทองกันแต่พวกเราทุกวันนี้พึ่งเงินทองเป็นเหมือนพระเจ้านะกราบไหว้บูชาเงินทองกันแต่มันพึ่งได้เพียงแค่ระดับหนึ่งคือเวลาที่ร่างกายยังแข็งแรงอยู่ก็ใช้เงินทองได้ หรือบางทีเงินทางที่เราพึ่งมันก็หมดได้ขาดมือได้เอยหาได้มันหาไม่ได้ก็มีเพราะทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้านจัดสรรที่อยู่ที่นี้เมื่อสองสามปีก่อนโอ้ยผลิตขายแทบไม่ทันแล้วอยู่ปุ๊บปั๊บหายไปเลยคนซื้อลัตเซียเงินตกไปครึ่งหนึ่งลูกค้าเป็นลัตเซียทั้งหมด ก็เลยไม่มีใครมาซื้อใหม่ปลูกทิ้งไว้ล้าง่างนียไม่รู้กี่ปีแล้วสองปีแล้วเนี่ยทุกอย่างมันไม่แน่นอนถ้าเราไปเพิ่งเรื่องเงินทองนี่มันไม่แน่นอนแต่เพิ่งธรรมะนี่มันแน่นอนเพราะธรรมะนี่เราสามารถที่จะเพิ่งได้ตลอดเวลาถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมาถ้าเราสร้างสติขึ้นมาได้นี่เราจะสามารถ ควบคุมใจของเราให้สงบควบคุมความอยากของเราได้แล้วเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขความสุขที่แท้จริงความสุขที่ยิ่งใหญ่มันไม่ได้อยู่ไกลตัวเราเลยอยู่ในตัวเรานี่แหละแต่เรากลับมองไม่เห็นกันเรากลับถูกความหลงหลอกให้เราไปหาความสุขไกลตัวเราความสุขที่หามาด้วยความยากลาบากแล้วก็รักษาไว้ก็ยากลาบาก แล้วก็ต้องเสียไปไม่ว่าจะรักษายัางไงก็ต้องจากกันไปหาเงินมาเดี๋ยวโยมหามาได้พันล้านเดี๋ยวนา่งกายตายไปก็เอาไปไม่ได้แม้แต่บาทเดียวกลายเป็นของคนอื่นไปหมดคนอื่นสบายไม่ต้องทำอะไรมีเราหาให้เขาแล้วเราก็ไปแบบทุกข์ด้วย เพราะว่ามันใจมันไม่อยากไปไม่อยากทิ้งสมบัติเข้าของเงินทองไม่อยากจากไปหาแมา้แทบเป็นแทบตายขึ้นมาอ๋อขึ้นมาทางนี้ก็ได้เ <ắng> ชิญขึ้นมาเมามดี๋ยวไปบางกล้องนะกำลังถ่ายทอดสดอี่ วางไว้ตร ง, ง, ง, งนั้นก่อนนั่งนั่นคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยทําเดี๋ยวค่อยถว า, ายพอเข้าใจหรือยังที่มาวันนี้มาวันนี้เพื่อมาศึกษาวิธีเวี่ยนที่พึ่งใหม่เอาที่พึ่งที่เป็นที่พึ่งที่แท้จริงครับอถ้ามีที่พึ่งมีธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วจะไม่เดือดร้อน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทำที่จัดสรรแล้วขายไม่ได้ก็ไม่เดือดร้อนร่างกายเจ็บ่ายได้ป่วยเป็นอามาพื่อกรรม า, าดก็ไม่เดือดร้อนเขาสามารถามีที่พึ่งทำใจให้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้ เ, เงินทอง เ, อเป็นเครื่องมือทําความสุขให้กับเราตอนนี้ยังไม่สายโยมยังแข็งแรงยังมาอยู่วัดได้ ที่ให้มาอยู่ว่าเพื่อจะได้มีเวลาทำได้อย่างเต็มที่เต็มรูปแบบถ้าอยู่บ้านมันมีสิ่งเกียดขวางเยอะเหมือนขับรถนะขับรถอยู่บนทางด่วนกับขับรถอยู่ใต้ทางด่วนนี่มันไม่เหมือนกันเกินทางด่วนนี่มันไม่มีอะไรเกีดขวางไม่มีไฟแดงไม่มีสี่แยกวิ่งพรวดหนึ่งเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางถ้าวิ่งใต้ทางด่วนนี่เดี๋ยวมันก็จะสี่แยกไฟแดงเดี๋ยวรถก็ติดรถอยู่เทิน รถเลี้ยวซ้ายรถเลี้ยวขว า, าก็ทําให้เสียเวลาอยู่บ้านเดี๋ยวก็คนนั้นก็มาถามนู่นถามนี่คนนั้นก็มาชวนไปกินไปดืม่ม เ, เ, เราจะไม่กินไม่ดืม่มมันก็อใจมันก็อยากดื่มอยู่แล้วพอมีใครมาชวนก็เลยวชวนก็เลยไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ทําใจให้สงบก็ยังไปพึ่งของกิน การที่จะพึ่งสติพึ่งสมาธิก็ไปพึ่งขนมไปพึ่งเครื่องดื่มไปพึ่งอาหารไปพึ่งทีวีเราพึ่งของพวกนี้อยู่ตอนนี้พึ่งได้เพราะเรามีแต่ต่อไปมันพึ่งไม่ได้เกิดร่างกายเป็นอมตะพึ่เป็นอมตะพาดไปตาตาบอดหูหนวกตาโมพิกลพิการ คนเวลาแกเวลาพิการนี้ถึงอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่าไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้แล้วอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมเพราะไม่รู้ว่ามีมีความสุขได้ถ้ารู้จักวิธีสร้างความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็คือใช้สติเช่นให้เรา หยุดความคิดด้วยสติสติจะเกิดขึ้นได้่็เราต้องใช้คําบริกรรมเช่นพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปผ่านใจอย่าไปคิดถึงงานอย่าไปคิดถึงอาหารอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับพุโทโธแล้วใจจะว่างใจเย็นแล้วเวลานั่งสมาธิใจก็จะนิ่งสงบพอสงบแล้วจะมีความสุข จะไม่อยากได้อะไรจะไม่วิตกไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่ห่วงใยไม่มีอะไรกับอะไรในชะ่ัหมมีแต่ความเย็นความสบายเหมือนกับยกภูเขาออกจากอกเวลาเราใจไม่สงบนี่เหมือนหนักอกหนักใจไหมภูเขามันทับเราอยู่เพราะเราไปแบกมันเองแบกเรื่องเงินเรื่องทองแบกเรื่องครอบครัว แบกเรื่อง ป, ปัญหาต่างๆเพราะเราอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากได้เงินได้ทองอแต่มันมีปัญหามาจีดขวางความปรารถนาของเราแล้วเราแก้ไม่ได้มันก็ทำให้เราหนักอกหนักใจขึ้นมาแต่ถ้าเราไม่อยากได้สัอย่างนั้นมันปัญหาหมดไปเลย <ะ S 2> วิธีถ้าไม่อยากได้ก็หยุดคิด ถ้าไม่คิดถึงเรื่องที่ดินมันก็จะไม่มีอยู่ในใจเราหยุดคิดเรื่องเงินหยุดคิดเรื่องคนนั่นคนนี้แล้วมันจะไม่เข้ามาทำให้เราหนักอกหนักใจที่มันหนักอกหนักใจเพราะเราไปลึงเขาเข้ามาเองเราไปคิดถึงเขาเองคิดถึงที่ดินคิดถึงเงินทองคิดถึงคนนั่นคนนี้ก็ทำให้เกิดหนักอกหนักใจเพราะอยากจะให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอเราไม่ได้ดังใจอยากก็หนักอกหนักใจขึ้นมาอยากจะขายที่ดินขายไม่ได้ก็หนักอกหนักใจอยากจะได้เงินสักก้อนหนึ่งพอไม่ได้ก็หนักอกหนักใจต่อไปเวลาร่างกายไม่สบายก็อยากจะให้มันหายก็หนักอกหนักใจเพราะมันไม่หายแล้วยิ่งไปเจอโรคที่มันรักษาไม่ได้ มันจะยิ่งหนักอกหนักใจเข้าไปใหญอย่าไปคิดนะหยุดคิดถ้าหยุดคิดแล้วมันจะเป็นอะไรมันจะไม่มาเข้ามาในใจเราแล้วมันก็จะไม่มารบกวนใจเราจะไม่ทำให้ใจเราเศร้าหมองจะไม่ทำให้ใจเราหนักอกหนักใจใจเราจะเบาสบายร่างกายจะเป็นอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรที่ดินขายไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เงินทองที่ต้องการไม่ได้มาก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ไปยุ่งกับเขาแล้วเราปิดกั้นไม่ให้เขาเข้ามาสู่ใจของเราใจของเราก็เราก็เลยเบาเย็นสบายไม่ไม่มีอะไรมากดดันความอยากของเรานี่แหละเป็นตัวกดดันตัวเราเองอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันก็ทำให้ต้องดิ้นรน พอไม่ได้ก็หนัก อ, อกหนักใจไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจได้มาแล้วก็หนัก อ, อกหนักใจกับการดูแลรักษาอีกแล้วพอมันหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจหรือเวลาที่ต้องจากกันไปเดี๋ยวก็เสียใจเนี่ยเราพึ่งสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นสุขสิ่งที่เป็นสุขเราไม่พึ่งกันคือธรรมะธรรมังสันนัตกัจฉามิเนี่ย เป็นที่พึ่งที่ดีที่สุดมีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจจะเย็นใจจะสบายใจจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆใจสามารถอยู่ได้โดยตามลำพังนั่นเองไม่ต้องมีอะไรมีอะไรก็ต้องทุกขกับสิ่งที่มีเพราะว่าพอมีแล้วก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆอยากจะให้เขาดีเสมอ ไม่อยากให้เขาเปลี่ยนไม่อยากให้เขาเสื่อมไม่อยากให้เขาจากเราไปเพียงแต่คิดว่าเขาอาจจะต้องเสื่อมอาจจะต้องเปลี่ยนไปหรืออาจจะจากเราไปแค่นี้ก็ไม่สบายใจแล้วอย่างที่โยวมว่าเนะพอสามีเป็นอามาพึกรกมาพาดภรรยาก็ไม่รู้จะอยู่เขาทำไมพอไม่สามารถหาความสุขจากสามีได้แล้วเขาก็อยากจะไปหาสามีคนใหม่ แัน้นลองมาทำตามที่พระเจ้าสอนดีกว่าแล้วจะสบายอกสบายใจไม่ต้องไปรื้นนนไปเหนื่อยายากอะไรความสุขใจไม่ได้อยู่ที่เงินเงินมากเงินน้อยความสุขใจอยู่ที่ความสงบใจจะสงบ ก, ก็ต้องมีธรรมะมีสติอันนี้สิ่งที่เราขาดกันมากมากก็คือสติ เรามีสติแต่มีไม่ไ ม, ม่มีกําลังไม่มากพอที่จะหยุดความคิดได้เพียงแต่ว่ามีสติพอที่จะไปทําอะไรต่างๆได้แต่ไม่สามารถหยุดมันได้ไม่สามารถหยุดความอยากได้เราก็เลยต้องลิ่นรอนอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไปเจอปัญหาต่างๆไปเจอความไม่แน่นอน พโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอดเวลาเราไปเดินทางผิดทิศเดินไปหาความทุกข์กันไม่ได้ไปเดินหาความสุขกันอีกทางเราไม่ไปทางสู่ความสงบไม่ชอบไปชอบไปสู่ทางที่วุ่นวายนี่เราต้องเปลี่ยนทิศทางต้องยูเทิร์น ต้องหยุดหยุดหาเงินตอนนี้มีเงินพอกินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนายก็บอกพอแล้วถ้ามีข้าวกินได้ทุกวันมีบ้านอยู่มีเสื้อผ้าใส่มียารักษาโรค ก, ก็แสดงว่าพอแล้วความสุขทางร่างกายมันได้แค่นี้แหละเราให้ได้มาอีกร้อยเท่ามันก็ไม่ได้สุขไปมากกว่าที่มีอยู่ในตอนนี้ถ้าอยากจะได้ความสุขมากกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ก็มาทาใจให้สงบกันดีกว่า อย่าไปเพึ่มร่างกายอย่าไปพิ่งเงินทองเพราะว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องเสียมันจะต้องจากเราไปเวลาเสื่อมเวลาเสียเนี่ยมันจะทุกข์มาเพิ่งธรรมะดีกว่าเพิ่งสติที่ไม่มีวันเสื่อมจากเราไปถ้าเราสร้างสติขึ้นมาได้แล้วมันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะปกป้องรักษาใจของเราให้สงบไม่ให้วุ่นวาย ไม่ให้เดือดร้อนกับการสูญเสียต่างๆต่อไปโยมต่องเสียหมดเสียพรรยาเสียลูกเสียทรัพสมบัติเสียอะไรไม่มีใครไม่เสียหรอกทุกคนมาในโลกนี้มาตัวเปล่าๆแล้วเวลาไปก็ไม่ได้อะไรไปนอกจากความสงบหรือความวุ่นวายใจแต่เราไม่มาหาความสงบกันเรามาหาความวุ่นวายใจกัน มาหาความอยากกันแล้วไปก็ไปด้วยความวุ่นวายใจไปด้วยความอยากมันจริงต้องไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่แล้วไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ไปวุ่นวายใหม่เราทำอย่างนี้มาไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวทำมาแบบนี้ไม่รู้กี่ล้านกี่ล้านชาติแล้วกี่ล้านครั้งลวแล้วก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเราไม่สามารถที่จะ เปลี่ยนทิศทางถ้าเราไม่สามารถทําใจให้สงบไม่สามารถเลิกพึ่งพาเงินทองไม่เลิกพึ่งพาร่างกายได้พอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องไปหาร่างกายใหม่เหมือนกับเวลาเงินหมดเงินหมดก็ต้องไปหาเงินมาใหม่มาใช้เพราะเรายังต้องพึ่งเงินทองอยู่เยังต้องพึ่งร่างกายอยู่ดูคนที่เขาไม่ต้องพึ่งเลยพระพุทธเจ้าพาระอาจารยตสาคกไม่เห็นเขาต้องไปทํางานเหมือนพวกเราเลย มเมนต้องไปหาเงินทองเหมือนพวกเราเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้ร่างกายเหมือนพวกเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนพวกเราเพราะท่านมีความสุขใจความสุขใจนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทางร่างกายนัตติสันติบาลังสุ ข, ขังสุขอื่นที่ยิ่งใหญ่กว่าความสงบไม่มี ความสงบใจนี้เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดีที่สุดที่สะอาดที่สุดที่บริสุทธิ์ที่สุดเพราะไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าหมองมาเจืวปนเลยไม่เหมือนกับความสุขทางลาบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกรื่นกายที่จะมีความสุขละมีความทุกข์ตามมาเสมอเพราะมันเป็นความสุขชั่วคราวพอเวลา ไม่ได้มันมันก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาดัางนั้นมาเปลี่ยนทิศทางกันเถอะนนเจะเอาเงินไปเที่ยวก็เอาเงินไปทปําบุญเถอะทาที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาทําที่นี่หรอกทากับใครก็ได้ขอให้มันไม่ทํากับเราก็แล้วกันไม่ได้ทําเพื่อความอยากของเราถ้าไม่อยากจะทําจะเก็บไว้เฉยๆก็ได้ไม่เป็นไรเก็บไว้สํารองเผื่อวันหน้าข้างหน้าเกิด ขาดแคลนจะใช้มันก็ได้แต่ให้มันใช้ด้วยความจำเป็นอย่าไปใช้ด้วยความอยากนั่นเองมันก็จะไม่เป็นโทษกับเราถ้าเราใช้ด้วยความอยากมันก็จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆแล้วมันก็จะทำให้เราต้องไปหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะใช้ไปมันก็จะหมดหมดก็ต้องไปหาใหม่หาใหม่ก็ไปเจอปัญหาต่างๆเพราะมันไม่แน่นอนว่าจะหาได้หรือเปล่า บางทีก็หาได้บางทีก็หาไม่ได้หาไม่ได้ก็เครียดทุกข์กังวลพอมันใช้มากๆแล้วมันลดลงมายากนะเคยใช้มากๆนี่พอจะต้องตัดรายจากนี้อันนู้นก็ตัดไม่ได้อันนี้ก็ตัดไม่ได้เมืม่อก่อนไม่มีไม่ได้ใช้มันเห็นไม่เห็นเดือดร้อนพอใช้มันเข้าไปแล้วมันติดมันต้องมีต้องใช้อยู่เรื่อยๆ สิ่งที่เราต้องใช้ก็มีแค่นี้สี่อย่างนี้อาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องโน้มนุ่งนอกนั้นตัดได้หมดแต่เราตัดไม่ลงไงเพราะเราเป็นเหมือนคนติดยาเสพติดละตัดอ้นั่นก็เครียดตัดอ้นี้ก็ทุกข์เพราะเราต้องใช้มันเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน ตอนนี้เรามาทําอย่างที่พระเจ้าสอนเลยทุกครั้งที่จะเอาเงินไปใช้ตามความอยากนี่เอาไปทําบุญทําทานทําที่ไหนก็ได้ทําที่โรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้ทําที่บ้านของเราเองก็ได้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องใครเดือดร้อนใครขาดแคลนก็ให้เขาไปแล้วเราก็จะตัดความอยากใช้เงินลงไป ตาอไปไม่มีเงินทองล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปดิ้นนอนหามันคนฉลาดนี้ต้องตายแบบไม่มีเงินทองเหลืออยู่เลยถ้ามีเงินเหลือเยอะๆนี่แสดงว่าโง่หามาถ้าเป็นแทบตายแต่ไม่ได้ใช้เลยหามาให้คนอื่นเขาถ้าฉลาดนี่ต้องเอาไปใช้ให้มันหมดเวลาตายนี้ไม่มีมรดกให้ใครเลยลูกจะได้ไม่มาทะเลาะ ก, กัน อมีมาละหนก็เดี๋ยวมันก็มาทะเลาะกันนี่คือการวิธีใช้เงินที่ถูกต้องใช้เงินด้วยการเอาไปทําบุญทาทานใช้เงินเพื่อซื้ออาหารซื้อสิ่งที่จําเป็นต่อการดูแลรักษาร่างกายแต่อย่าไปใช้เงินเพื่อซื้อของตามความอยากต่างๆอย่าไปใช้ตามความอยากความอยากนี่เราต้องถือว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของเรา พราะมันเป็นตัวที่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นว า, ายใจให้กับเราเป็นตัวที่จะพาให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จักจบจากสิ้นนี่แหละคือคือศัตรูที่แท้จริงแต่เรากลับคิดว่ามันเป็นมิตรพอมันชวนเราไปไหนเราไปกับมันเลยชวนให้เราไปซื้อข้าวซื้อของก็ไปชวนให้เราไปเที่ยวก็ไปชวนให้เราไปทําอะไรก็ไปกับมันหมดพอเวลาเราไปไม่ได้มันก็ แทงลิตมันก็สร้างความเครียดจนกระทั่งอยากจะฆ่าตัวตาย น, นี่คือเรื่องของการทำบุญทำเพื่อทำลายความอยากอย่าใช้เงินตามความอยากแล้วเวลาไม่มีเงินทองจะไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใช้เงินทองด้วยความอยากนี่เวลามัน ไม่มีมันจะเดือดร้อนเพราะความอยากมันไม่ได้หมดไปกับเงินทองความอยากก็ยังมีอยู่แล้วมีมากกว่าเดิมด้วยซ้าไปแต่ถ้าเราไม่ใช้เงินทองตามความอยากต่อไปความอยากจะใช้เงินทองมันจะหายไปแล้วเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างสบายไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนหาเงินมาใหม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้ามีกินมีใช้ก็โอเคละพอละ ไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปอวดกับคนนั้นคนนี้ว่าเราล่าเรารวยเรามีสมบัติ ม, มีนู่นมีนี่มีกรเท่านั้นอวดไปกระท่านั้นซู่มีความสงบไม่ได้เอามาเอาเวลามาหาหาสติกันดีกว่าแานที่จะเอาวเวลาไปหาเงินมาหาสติสตินี้มีคุณค่ามีประโยชน์มากกว่าเงินทองร้อยล้านพันล้าน ว่าเงินทองร้อยล้านพันล้านไม่สามารถทําใจให้เราสงบได้ไม่สามารถดับความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆได้ถ้าได้ป่านนี้พวกเศรษฐีทั้งหลายเขาก็สบายกันไปหมดนะแต่ยิ่งมีมากกับยิ่งวุ่นวายมากยิ่งเครียดมากกว่ากับคนที่ไม่มีเสรีระหว่างขอทานกับมาหาเศรษฐีนี่เราเชื่อว่าขอทานนี่มีความเครียดน้อยกว่ามาหาเศรษฐีมีความทุกข์ใจนี่น้อยกว่า เขาจยากจะทุกข์ทางร่างกายว่าวันนี้กูจะกินที่ไหนดีจะหาอะไรกินดีเกินี้จะนอนที่ไหนดีเขาก็ทุกข์แค่นั้นเองแต่ก็ไม่ต้องมาทุกข์กับเงินร้อยล้านพันล้านวันนี้ดอกลงหุ้นตกจะทํางไงเครียด <c oughs> <c oughs> อยู่ตลอดเวลานี่แหละคือสิ่งที่เราไม่มองกันเราก็จะไปหลงผิดเห็นผิดเป็นชอบ เห็นกงจากเป็นดอกบัว mm. เห็นสิ่งที่ทุกข์ว่าเป็นสุข mm. เงินทองเนี่ยเป็นทุกข์แต่เราคิดว่าเป็นสุขกัน mm. อยากได้มากๆ mm. ยิ่งได้ยิ่งอยากได้มากก็ยิ่งทุกข์มากขึ้นไป mm. ได้แล้วก็อยากจะรักษาอยากปกป้องคุ้มเก็บไว้ไม่ให้มันเสื่อม mm. เอาไปฝากธนาคารก็กังวนเลเดี๋ยวธนาคารล้มเอาไปทํานู่นทํานี่ก็กลักวมันจะแจ้ง มันไม่มีอะไรแน่นอนทักอย่างได้ามาแล้วก็ต้องมาเครียดกับการคอยดูแลรักษา<ม>ช่วเอาสติไม่ได้ถ้ามีสติแล้วใจสงบใจจะไม่เครียดใจไม่ต้องพึ่งอะไรไม่ต้องพึ่งเงินทองไม่ต้องพึ่งสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้จะมีหรือไม่มีสิ่งต่างๆจ ะ, จะเจริญหรือจะเสือ่อมไม่เป็นปัญหาอะไรใจไม่ได้พึ่งแล้ว ใจมีที่พึ่งที่แท้จริงแล้วคือสติมีความสงบเป็นที่พึ่งใจจะสงบก็ต้องมีสติสติจะเกิดขึ้นก็ต้องมีพุทโธตอนนี้ใจเราไม่มีสติมันใจเราลอ ย, ลอยไปลอยมาคิดอยู่เรื่องนั้นคิดอยู่เรื่องนี้คิดอยู่ทั้งวันทั้งคืนคิดแล้วก็ไม่มีวันสงบเราต้องหยุดมันให้ได้สิ่งที่จะหยุดมันได้ก็คือสติ สติจะดึงใจไม่ให้ไปคิดนะถ้าเราไม่สามารถดึงใจให้หยุดคิดได้แสดงว่าเราไม่มีสติเราก็ต้องสร้างสติขึ้นมาสิ่งที่จะสร้างสติขึ้นมาก็คือพุทโธพุทโธนะให้เราท่องพุทโธไปหรือจะสวดมวนต์ไปก็ได้สวดอรหังสัมมาสวาสาโตสุปติปันโนแต่ต้องสวดทั้งวันนะไม่ใช่สวดแค่สามจบแล้วก็หยุดนะสวดไปจนกว่าใจมันจะหยุดคิดถ้ามันหยุดคิดเมื่อไหร่ก็ หยุดสวดได้เหมือนกับเราเบรกรถนะเราก็เหยียบเบรกไปเรื่อยๆจนกว่ารถมันจะหยุดนะถ้ารถมันไม่หยุดเราอย่าปล่อยเบรกถ้าปล่อยมันก็จะไม่หยุดมันก็จะวิ่งต่อไปความคิดเราก็เหมือนรถยนต์ที่มันวิ่งอยู่เรื่อยๆถ้าเราอยากจะหยุดมันเราก็ต้องเหยียบเบรกเราก็ต้องพุโทโธพุโทโธ ไ, ไปเรื่อยๆหรือท่องสวดมนต์ไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดถึงคนนั้นคนนีเนน้เรื่องนั้นเรื่องนี้ พอมันหยุดคิดแล้วเราจะรู้สึกเบาใจสบายใจคอยหนักอกหนักใจกับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอไม่ได้คิดถึงมันมันหายไปมันก็เบาใจขึ้นมาสบายใจขึ้นมาเรื่องมันจะมีอยู่ก็มันก็อยู่ข้างนอกมันไม่ได้มีอยู่ในใจเราเราจะไปแก้มันได้หรือไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเดี๋ยวมันก็แก้ของมันเองเรื่องต่างๆเดี๋ยวคนมันก็ตายไปเองอะไม่ช้าก็เร็วมันก็ตายไปเอง ไม่ต้องไปแก้ถ้าแก้อะไรไม่ได้ไม่ต้องไปแก้แก้ที่ใจเราพออย่าเอาทำใจหยุดใจเราอย่าไปดึงเรื่องต่างๆเข้ามาในใจเราเท่านั้นเนี่ยแล้วมันจะไม่เป็นปัญหากับเราแล้วเรื่องมันจะหายไปเองหรือไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาอะไรกับเราแต่วิธีที่แก้ปัญหาที่ถูกต้องก็คือปล่อยวางมันนะอะไรจะเกิดก็เกิดนีคนชอบมาถามเราเรื่องแม่จะพ่าตัด จะทํายังไงดีก็บอกว่าทําใจอะไรจะเกิดก็เกิดเอาตอบทีนี้แล้วไม่กลับมาถามอีกเลยเทําใจได้แล้วมันสบายเราจะไปรู้เหรือมันจะเป็นยังไงมันจะดีแล้วไม่ดีดียังไงมันก็เดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีมีใครบ้างไม่ตายต่อให้มีหมอวิเศษขนาดไหนยาวิเศษขนาดไหน อย่างมากมันก็ปงปวิงเวลาไว้เท่านั้นเองเลื่อนความตายออกไปแค่ไม่สบายคราวนี้ได้หมอ ด, ดีได้ยาดีรักษาหายแล้วมันจะหายไปตลอดเดี๋ยวไม่นานมันก็ต้องเป็นอไม่เป็นโรคนี้ก็ต้องเป็นโรคอื่นแล้วมันก็ต้องไปเจอโรคที่เราไม่สามารถรักษาได้มันก็ตายอยู่ดีอันนี้เรียกว่าเป็นปัญญา เราจะคิดให้คิดแบบนี้คิดแล้วทาให้เราสบายใจแต่ตอนนี้เราไม่สบายใจเราเพราะกิเลสเราไม่ยอมให้คิดพอคิดถึงความตายแล้วแทนที่จะสบายกับทุกข์ขึ้นมาเองเพราะความไม่อยากตายคนที่จะคิดอย่างนี้ได้ต้องใจต้องเย็นต้องสงบก่อนใจไม่มีกิเลสก่อนถ้ากิเลสยังมีกําลังมากมนี่มันจะไม่ยอมให้เราคิดเพราะมันไม่อยากตาย แต่ถ้าเราทาใจให้สงบนี้ความความไม่อยากตายมันจะถูกกดไว้ชั่วคราวมันไม่หายแต่มันถูกกำลังของความสงบกดไว้มันทำให้เราคิดความจริงได้ว่าร่างกายนี้ในที่สุดมันก็ต้องตายไปถ้าเราปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์กับมันที่เราทุกข์ก็เพราะว่าเราไม่ปล่อยเราอยากจะให้มันไม่ตายกัน แ, แค่นั้นเองความตายนี้มัน มันเป็นเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ความทุกนี้ไม่เกิดขึ้นกับทุกคนคนที่ไม่มีความอยากไม่ตายนี้จะไม่ทุกข์แต่คนที่มีความอยากไม่ตายจะทุกข์งั้นคนที่เห็นความจริงอันนี้เขาก็จะยอมปล่อยวางยอมตายเราก็ยอมตายแล้วเขาจะไม่ทุกข์กับความตายคนที่ไม่ยอมตายนี้จะทุกข์มาก ตายเหมือนกันตายแบบไหนตายแบบทุกข์หรือตายแบบไม่ทุกข์เราต้องคิดแบบนี้แล้วเราจะได้มีทางออกเราจะได้ไม่กลัวตายเราจะได้ไม่ทุกข์กับความตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของธรรมะที่พึ่งของเราสติสมาธิปัญญาสามตัวนี้เป็นที่พึ่งที่เป็นแก่นของที่พึ่ง การทำทานการรักษาศีลก็เป็นเปลือกของที่พึ่งทาเราต้องทำทานก่อนรักษาศีลก่อนเราถึงจะมาปฏิบัติได้มาเจริญสติสมาธิปัญญาได้พอไม่เช่นนั้นเราก็จะยังไปติดอยู่กับการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทองแล้วก็ไปติดอยู่กับการทำบาปทำบาปก็ไปมีเรื่องเีดาวกับคนนั้นคนนี้มีปัญหากับคนนั้นคนนี้ เราต้องตัดปัญหาออกไปก่อนเพื่อที่เราจะได้มีเวลามาสร้างที่ขึ้นทําทานทุกครั้งที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาไปหาความสุขก็เอาไปทําบุญแทนแล้วเรารักษาศีลอย่าไปมีเรื่องมีราว่าบใครเพราะการไปทํำบาสนี่มันเป็นการไปก่อเหตุไปสร้างเรื่องไปสร้างปัญหาทําให้ไม่มีเวลาที่จะมาสร้าง สร้างที่พึ่งทางใจกันเราต้องหาเวลาอันนี้เวลาของเราถูกความอยากดึงไปหมดเลยอยากหางงันอยากหาความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายก็เลยหมดเวลาไปกับเรื่องราวเหล่านี้่กว่าจะมาที่นี่เลยสักครั้งหนึ่งเองต้องตั้งหลักไม่รู้กี่วันถึงจะมาได้ แต่ถ้าไปตามแหล่งบันเทิงไปตามศูนย์การค้านี่มันไปได้แทบทุกวันที่ไหนไปไปแหล่งที่หาเงินหาทองรานไปไปแหล่งที่ไหนไปหาความสุขทางตาหูจมู ก, น, กนิ้วกายนไปไปตลอดเวลาแต่ที่จะมาหาความสุขทางใจนี่มันมายากเราต้องพยายามฝืนเหมือนต้องใช้เหตุผลมันถึงจะมาได้ ต้องเราเลิถึงความแก่ความเจ็บความตายอยู่ได้เลยว่าเอ้ยเราจะที่พึ่งของเรามันจะเริ่มหมดเวลาแล้วเนี่ต่ อ, อไปจะพึ่งมันไม่ได้แล้วนะีรีบมาสร้างที่พึ่งใหม่กันเถิดเนะถ้าไม่คิดอย่างนี้มันจะไม่มาแนตะ่กตาพระพุทธเจ้าไม่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายไม่เห็นนั่งบวชก็จะไม่ได้ออกบวชนะถ้าอยู่ในวังนี่มันจะเห็นแต่สาวๆหนุ่มๆเห็นแต่ความสุขตลอดเวลา แต่พอออกไปข้างนอกไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเห็นนักบวชเนียมันเลยบอกโอ๊ยต่อไปเราต้องเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องไปบวช ด, ดีกว่าไปสร้างที่พึ่งใหม่ดีกว่าไปสร้างธรรมะธรรมังสระนังกระฉานี้กันดีกว่าพนะยายามนึกความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆครูทย่เาสอนว่าคนจะน่ารืทุกวันนะ เกิดขึ้นมาก่อนจะออกไปทำงานก็เราเลิกว่าเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาล่วงพ้นต้องพัดท่าจากกันเป็นธรรมดาร่วงพ้นการพัดภ่าจากกันไม่ได้อใอยคิดอย่างนี้แล้วมันจะมีเบรกที่จะทาให้เราเลดความอยากลงแล้วจะทำให้เราเริ่มคิดหาทางออกหาที่พึ่งกันใหม่ เพราะว่าที่พึ่งมันเก่านี้มันจะค่อยหมดสภาพไปเราไปจะพึ่งมันไม่ได้พอเราพึ่งเราไม่ได้คนอื่นที่เขาพึ่งเราเขาก็ไม่อยู่กับเราแล้วเขาก็ทิ้งเราอะคนที่เขาอยู่กับเราเพราะว่าเขาพึ่งเราได้พอเขาพึ่งเราไม่ได้เขาก็ไม่อยู่กับเราใช่ไหมอย่างภรรยาพอสามีเป็ปนเอามาพึ่งมาพาดก็ก็ทิง้งละไม่ไม่อยากจะอยู่ด้วยลนะ เพราะเขาไม่สามารถพึ่งสามีร่างกายของสามีได้แนละ้วใจของสามีก็อยากจะทิ้งร่างกายเหมือนกันเพราะพึ่งมันไม่ได้ก็อยากจะฆ่าตัวตายเหตุแต่ว่าการฆ่าตัวตายมันไม่ได้ไปแก้ปัญหาความทุกข์ใจก็ยังมีเหมือนเดิมเพราะความอยากมันยังมีเหมือนเดิมแล้วมันก็จะทำให้กลับมาเกิดใหม่แล้วก็มาทุกกับร่างกายอันใหม่ต่อไป เพร่างกายใหม่ต่อไปมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันวิธีแก้ปัญหาก็คือต้องหยุดเลิกพึ่งร่างกายต้องทําใจให้สงบต้องมาพึ่งธรรมะมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญาพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขอย่าไปพึ่งมันพึ่งแล้วจะได้ความทุกข์เป็นผลตอบแทน มันเป็นความสุขปลอ ม, มันเป็นเหมือนยาขมเคลือบน้ำตาลมันหวานเดียวเดียวความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันสุขเดียวเดียวจากสุขก็กลายเป็นทุกข์พอได้มาแล้วก็ต้องทุกข์กับมันทุกข์เพราะตองความเพราะทุกข์เพราะความห่วงใยทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นหมดอย่าไปพึ่งมัน พยา ม, มองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วพยา ม, มองให้เห็นว่าสติสมาธิปัญญานี้เป็นเป็นสุขเป็นตัวที่จะทำให้เราสุขจะทำให้เราไม่ทุกข์กับเรื่องราวต่างๆเลยดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระอารามตถาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านไม่ทุกข์กับอะไรเลยแม้แต่ร่างกายของท่านท่านก็ไม่ทุกข์ปล่อยให้มันตายได้อย่างสบาย นี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาศึกษาการสร้างที่พึ่งอันใหม่เพราะที่พึ่งอันเก่าที่เรามีอยู่นี้มันกำลังจะใกล้หมดสภาพรีบสร้างที่พึ่งอันใหม่เหมือนบ้านเก่ามันจะพังแล้วไปซื้อบ้านใหม่นะไปจองบ้านใหม่ที่ไหนก็เปิดโครงการก็ไปจองแล้วก็หาเงินผ่อนไปเรื่อย เดี๋ยพอบ้านเก่าพังบ้านใหมส่สร้างเสร็จก็ได้มีที่อยู่ใหม่ต่อจะได้ไม่ปราศจากที่พึ่งเาราไม่รีบสร้างที่พึ่งทางใจซะพอมีที่พึ่งทางใจแล้วต่อไปร่างกายเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรใจมีความสุขเหมือนกับได้ไปเที่ยวรอบโลกนั่นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะอนุโมทนาให้พร อ, อันนี้ก็เป็นช่วงแรกเพื่อท่านที่มาแล้วอยากจะกลับไปก็จะได้ไป ส่วนช่วงที่สองก็จะมีคุยธรรมะกันต่อมีถามตอบปัญหากันต่อทค่กายอยากกระถามอะไรไหมมีหรือเปล่าตามมามาใกล้ๆหน่อยแล้วพูดดังๆนั้นก็ได้ตามมาไหมแต่ก่อนที่ยังไม่มีความรูเกี่ยวกับเรื่องกาัน เุญนะคะไม่รู้แต่ทำทางเยอะค่ะเพราะอะไรอจากทราบว่าการทำบุญเนี่ยคืองำทานด้านศีลด้าอืมวนาตั้ใจก็เลยทำภาวนาเยอะอืตรงนี้ทุศีได้ทานทานก็ทานน้อยเลยนะไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราต้องการเข้าไปสู่การภาวนาทานกับศีลเป็นเหมือนเครื่องเบิกทางเครื่องนําทางให้เราได้เข้าสู่การภาวนา พอเราได้เข้าภาวนาแล้วเราไม่ต้องทําทานก็ได้แต่เราก็ต้องรักษาศีสีนี่เป็นสิ่งที่สําคัญต้องรักษาพเพราะไม่ไม่ต้องทําอะไรเพียงแต่ไม่ไปทําบาปเท่านั้นเองการไม่ทําบาปจะทําให้ใจเราวุ่นวายจนไม่สามารถภาวนาได้การทําทานการทําทานก็เพื่อที่ให้เราหยุดการหาเงินหาทองถ้าเรายัางหาเงินหาทองก็จะไม่มีเวลามาภาวนา แพะถ้าเมื่อเราภาวนาได้แล้วเราเลิกหาเงินหาทองได้แล้วก็ไม่ต้องทำทานแต่ถ้ายังหาเงินหาทองอยู่ก็ต้องทำทานต่อไปเพราะไม่งั้นมั น, ม, นมันก็จะไม่หยุดเพราะความโลภอยากได้เงินทองพอได้เท่านี้มันก็อยากจะได้เท่านั้นต่อเังนเราต้องหาเงินหาทองเฉพาะใช้กับสิ่งที่จำเป็นเท่านั้นเช <c oughs> ่นใช้กับปัจจัยสี่ถ้าอยากจะมีเยอะๆก็ต้องเอามา ใช้ให้มันหมดให้มันมีน้อยๆให้มันมีน อ, ยมนมอยู่เท่าที่จําเป็นแต่สินที่เราต้องรักษาตลอดการพอารายได้ได้ได้การพอนะต้องซื้อต้องถือสีลแปดขึ้นไปสินห้าไม่พอสินปดห้าจะไม่ทําให้เรามีกําลังไม่มีเวลาพ อ, เ, อาเราจะเอาไปเวลาไปทําอย่างอื่นแทนเพถือสีนห้านี่ยังไปนอนกับแฟนได้ยังไปเที่ยวได้ ถือสิป8แล้วหมดห้ามเที่ยวห้ามนอนกับแฟนเดินแค่ไปไม่มากเนี้ยก็้ด้ผล้อยาก็ยังรักษาสิงได้รักษ า, าสิงน้อยก็ภาวนาได้น้อยผลก็ได้น้อยถ้าอยากได้ผลมากมันก็ต้องมีเวลาทำมาก าการถือศีลแปดนี่เป็นการทำให้เรามีเวลาได้มาภาวนาอย่างเต็มที่ถ้าถือศีล <8. S 1> ถ้าถือศีลห้าเดี๋ยวถึงเวลากินข้าวเย็นก็ไม่ได้ภาวนาละ่างเวลาดูหนัง<ม>ดูละครก็ดูไปละ <c oughs> เวลาที่จะมานั่งสมาธิก็เลยหมดไป <c oughs> ทำได้อย่างมากแค่วันละชั่วโมงสองชั่วโมง <c oughs> แต่คนที่ทำ <c oughs> ถือศีลแปดนี่เขาทำวันละแปดชั่วโมงเนี่ย ทำทั้งวันมันต่างกันดะงนั้นผลมันก็ต้องต่างกันแ ต, ตน่ตอนนี้เริ่มต้นก็เอาแค่นี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองเพอทำได้ผลแล้วมันก็อยากจะทำมากขึ้นมันก็จะเห็นประโยชน์ของการรักษาสิ่แปลกขึ้นมาเองระหว่างปฏิบัตินะแล้วใจเรายังมีความลังเลสงสยัยสงสัยอะไรสงสัยอะไรนะว่า การตายไปแล้วเนี่ยมาตายไปแล้วเนี่ยเราจะไปเกิดอ๋อไม่ต้องไปกังวลอะไม่ต้องกังวลหรอกไม่ต้องกังวลหรอกจริงไม่ไม่จริงไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะว่าเอาแค่ปัจจุบันนี้แหละการปฏิบัตินี้ให้เราจิตอยู่ในปัจจุบันให้รักษาจิตเราให้ดีให้มีความสุขแล้วมันจะไปที่ไหนไม่เป็นปัญหาอะไรจะเกิดหรือไม่เกิดไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามันมีความสุขแล้ว อยู่ที่ไหนก็ได้สราสุขท้องคุณไหมอ่อออสาสร้างความสุขขึ้นอ่ามัจะเกิดขึ้นแล้เเวเลยไม่เป็นไรอ่าเหมือนกับคุณหาเงินไม่ก่อนตอนเนี้ยคุณมีเงินแล้วคุณไปไหนคุณไม่เดือดร้อนอรอไม่ติดคุกก็ไม่เดือดร้อนสมัยนี้มีเงินอ <c oughs> ย่งเี้ยอ่าเนตอน น, <c oughs> อ น, นี้หาความสุขอย่างเดียวหาความสงบอย่างเดียวออให้เชื่อว่ามีจริงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดตามบุญตามบาปที่เราทําแล้วก็ ถ้าเราตัดกิเลสได้แล้วก็ไปเกิดที่นิพพานไปอยู่ที่นิพพานไม่ต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเวีนว่ายตายเกิดให้เชื่อแค่นี้ก็พอเชื่อได้เลยเชื่อพระเจา้าก็ไม่ต้องไปสอนใจมันจะมาแ<ม> ย, ย่งเงิก็ไม่เวลาบอกเดี๋ยวปฏิบัติไปแล้วจะเห็นเองตอนนี้อย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปสงสัยตอนนี้ปฏิบัติไปก่อนปฏิบัติแล้วเดี๋ยวจะเห็นเองเดี๋ยวจะเข้าใจเองถ้าไม่ปฏิบัติก็ยังไงก็ยังสงสัยอยู่นั่นแหละ นห้ือนคนปิดตานี่ยถ้าปิดตายังไงก็สงสัยว่ามีจริงตามที่เขาพูดหรือเปล่าไอ้มันลืมตาดีกว่ามารักษาตาให้มันมองเห็นดีกว่าพอตาเห็นแล้วก็จะเห็นอย่างที่คนที่ตาตาดีก็เห็นกันพระพุทธเจ้าเป็นคนตาดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านสอนนี่เป็นความจริงหมดเพียงแต่ว่าเรายังไม่สามารถมองเห็นตามที่ท่านเห็นได้เพราะตาเราบอดงั้นเรามาปฏิบัติกันการปฏิบัตินี่ก็เป็นการเปิดตาของเราเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นเอง เห็นทุกอย่างที่เราสงสัยเห็นเองทุกอย่างไม่ต้องกลัวขึ้นปิพพานใช่อ่าตั้งแต่สมาธิเนี่ยมันก็เริ่มเห็นแล้วล่ะคุณพ่อทา่ตอนตอนที่ปฏิบัติคือทราบระหว่างที่เราเข้าสู่ทงหวังกับความเมื่องถ้านั่แยงไม่ได้ก็ง่วงก็หลับไล้ ก็แสดงว่าหลั้เอ่ในผว่งนีแสดงว่าความรู้สึกถ้าเรารู้สึกตัวเราแยกได้เราก็จะรู้เองถ้าเราไม่หลับอ่ค่ะผวังคนละอันกแไ้อผวัอผวังหลับกับผวังสมาธิใช่หมมันมีสองวังถ้าผวังสมาธินี้จะจะรู้สึกตัวตลอดเวลาถ้าผวังหลับนี้จะไม่รู้สึกตัวอ่า จะรู้สึกเตลตอนที่ตื่นขึ้นมาแล้วที่ว่าออกจากสมาธิแล้วฉะนั้นเราจะต้องคอยดึอต้องต้องพยายามมีพุโทโธมีสติมากๆอ่ารายไงก็กง่วงถ้ายังกินข้าวมากอยู่บางทีต้องลดปริมาณอาหารลงถึงให้ถือศีลแปดไอแล้วตัดมื้อเย็นออกไป บางทีขนาดกินมื้อเดียวยังยังง่วงบางทีก็ต้องอดอะอดวันเว้นวันไปเลยอดทีนสองสามวันเพื่อให้มันไม่ให้ง่วงเพราะบงที่เราอาหารเราสะสมวันนี้ร่างกายยังมีมากอยู่ต้องให้มันพร้อมแบบก็หนังหุ้มกระดูกมันถึงจะไม่ง่วงถ้ายังมีเนื้อมีเนื้อหนังมีนี่มัน ง, วงน่วงมันหิวที่ใจไม่ได้หิวที่ร่างกายเราทําใจให้สงบแล้วมันจะไม่หิว ร่างกายนี่มันอีกสิบไม่ไม่กินสิบวันก็ไม่ตายเนี่ยวมันมีมันมีพลังงานสะสมไว้เยอะอยู่แต่มันหิวที่ใจก็ช่างมันปล่อยมันร้องไปมันก็เป็นปฏิกิริยาของร่างกายถึงเวลาที่มันเคยกินมันก็มันก็ปล่อยน้ำย่อยออกมามันก็เรียกร้องท่านแต่ถ้าเราไม่กินมันนั่นมันเดี๋ยวมันก็หายไป ก็จะระวังนะพี่ตานก็จะค่ะเราเาม่พูดรอยู่แต่วลาเพือไม่ให้รวังนานเกินไปใช่้คือเราพูดโทรเพื่อไม่ให้คิดไม่ให้ใจลอยไปกับเรื่องราวต่างๆให้มันหยุดคิดพอหยุดคิดแล้วมันจะสงบแล้วมันจะมีความสุขมันจะอิ่มมันจะไม่หิว ถ้าไม่พุทธโทเดี๋ยวมันไปคิดถึงอาหารคิดถึงขนมนมเนยมันก็อยากจะกินขึ้นมามันก็นั่งต่อไปไม่ได้เดีย๋ยวมันก็ลุกไปเปิดตู้เย็นระวังนก็มีสองอย่างเะอะระวังหลักกับระวังกับพองสมาธิสมาธิเขาระวังสมาธินี่เวลาจิตมกไม่มันจะนานเท่าไหร่ยิ่งดีนั่งสมาธิให้มันสงบ น, นาน ไม่ต้องไปบังคับมันะนะมันจะนานไม่นานมันไม่ได้อยู่ที่เราแล้วละ่ะเราบังคับมันไม่ได้มันอยู่ที่สติที่เราสร้างอยู่เนี่ยถ้าเรามีสติมากมันก็จะสงบได้นานถ้ามีสติ น, น้อยมันก็จะสงบได้ไม่นานาเราอย่ากสงบนานก็ต้องสร้างสติให้มากๆฝึกสติทั้งวันเลยพุโทโธทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่อ ง, งต่างนาๆนานา แเวลามานั่งมันจะสงบได้นานเมื่อเวลาสงบก็เรียกว่าสมาธิแล้วลมันก็จะนิ่งไงมันก็จะนิ่งมันไม่เดินไม่ไหนมันจะนิ่งแล้ว ม, มันมีความสุขอันนี้ก็สมาธิก็จบแค่นี้ถ้าอยากจะไปไกลกว่า น, นี้ก็ต้องออกมาทางปัญญาพ อ, อ, อจากสมาธิมาก็ต้อง มองให้ทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นทุกข์จะได้ปล่อยวางจะได้ตัดความอยากเห็นเงินก็บอกเป็นทุกข์ไม่อยากได้ถ้ายังอยากได้ก็แสดงว่ายังหลงอยู่ยังติดอยู่เห็นยศยังอยากได้ยศอยู่ก็ยังแสดงว่ายังติดอยู่ยังเห็นว่าเป็นฉุกเฉียวต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกเพราะว่ามันเสื่อมในเจริญแล้วมันต้องมีเสื่อมเวลาได้ตำแหน่งมาก็ดีใจเวลาถูกโยกย้ายถูกปลดขึ้นมาก็เสียใจ มองให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงไม่แน่นอนอย่าไปมีดีกว่าไม่มีแล้วก็จะไม่ทุกข์ถ้าปล่อยได้ใจจะมีความสุขมากกว่ามีสมาธิใจจะหายกังวลจะไม่มีความวุ่นวายเดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆใช่ไงมูกสาวตอนนี้อยู่ที่อเมติกอยู่แล้วเดทชา เดีวปิดทางก็กลัาเลยไม่กหมคะถหาเรื่องลต่อต่อขอขอ้าไปน่อีออ่เริค อ, อือเจริญใช่ไหมแมาออกไปด้วยมามามาก็ซื้อมาทีแล้ทำอะไรซือ้อใหม่ยัง้เรา่อแล้วเ อ, อนนี้ก็ให้เขาเรียนยบ่เาเต็มเรียนนักเสียดีกว่าเต็มมา บอกม้าเนี่ยมันเป็นทุกข์่างเวลาตายแล้วก็ทุกข์พอตายแล้วก็อย่าไปหาทุกข์ใหม่เลยหรอครับมาเสร็จที่การเรียนดีกว่าการเรียนจะไม่ทําให้เราทุกข์จะทาให้เรามีทางเสร็จทำเราจะมีทางรู้มากขึ้นไป่เรื่องและทําให้เราขยันถ้าอยากได้มากใหม่ก็บอก วันน้อพ่อแนะนำว่าอย่าไม่มีเลย เ, าาเาาดีย๋ยวมาหลังวันอี่เอาเวลามาเรียนหนะังสือดีกว่าตอนนี้ก็เรีนหลักและที่นหน้าต้องสอบต้ะนะองหาวิธีให้เอาการเรียนเป็นหลักดีกว่าใช่ครับผมเคยไปที่ปิงปองแล้วอยู่ประมาณส5วัน ช่วงนันดูทางจิตก็สนุกขึ้นมากมีการณ์อะระขึ้นอะไรก็แต่อออกสากปตตะกลับมาอยู่บ้านพยายามพยายาให้แบบนั้อีกแต่จิตไม่นั้นกิดความเบื่อน่ายทำอะไรต้องกลับไปทยงอีกทางใช่ไหครับคุณได้ประโยชน์ยางไรคุณก็ต้องทาอย่างนั้นต่อเลยเลยมันมันจะมันเหตุรัตผลมันก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมทอย่างนี้แล้วได้ได้ได้ประโยชน์ทานี้แล้วไม่ได้ประโยชน์คนย่ออย่างไรหงจากคุณทางานเนี่ย ทำแบบนี้ได้เงินเป็นร้อยล้านทันล้านทำแบบนี้ไม่ได้คุณยาทำแบบไหนเหรใช่ไหมบางทีเขาจัดเวลาช้าๆจะทำอะไรให้จิเหือนอย่างต่อชื่อจะทำมันไม่ได้หรอกมันเวลาเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นหแหละถ้าอยากจะได้มากๆจะหาเวลามาทำให้มนมากขึ้นตัดแวะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นทำไมใช้ปัญญาสิแยกแยะว่าไอ้เวลาที่เราไปทำกับสิ่งองื่นมันมีประโยชน์เท่ากับเวลาที่เรามาปฏิบัติมัม้ง เราได้เงินได้ความสุขเล็กๆน้อยๆกับเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี่มันแตกต่างกันขนา น, นั้นเอาเวลามาสร้างความสงบกันไม่ดีกว่าเลยถ้าตัดมันไปเนี่ยเพราการหาเงินลงลดลงและการหาความสุขทางร่างกายลงไปแล้วก็จะได้ไปอยู่วัดได้บางคนทำไมก็ามาบวชกันได้เพราะเขาตัดการหาความสุขทางร่างกาย ตาดการหาเงินหาทองเพราะเขเห็นว่ามันสู้การมาหาทางสุดทางจ่ายไม่ได้เขาจะมาบวชกันได้จีงถ้าคุณได้สัมผัสจักความได้ผลจากการปฏิบัติคุณน่าจะทำให้มันมากขึ้นมันดีไม่ใช่เหรอถ้าไม่ทำต่อยังห่วงลูกยังห่วงภรรยา ยังห่วงครอบครัวแล้วที่ไปทำบุญที่โรงพยาบาลนั้นเสร็จหรือยังอส่ง ไ, ไปเรื่องยๆแล้วค่ะอาจารย์ใช่เพื่อทำที่เหลือกันคือคลอก็ทำได้ไปทำที่ไหนก็ทำได้ที่ไหนเดือดร้อนที่ไหนต้องการความช่วเหลือก็ไปที่นี่ก็ไปทำช่วยเหลือที่เป็นต่อไป S <S เห็นราคาที่อาจารย์ไปโร ง, งเรียนะงงยนะอย่องางนี้ก็มีถ่ายทอดสดทุกวันวันนี้วันนี้ไปถึง500สามสิบสีบบางคนครับคนติดตาม500กว่าแล้วมากขึ้นทุกวันขึ้นพันแน่นอนครับอยากจะถามอะไรไหมไปตามหมู่บ้านได้ประโยชน์เหมือนกันนะ คำถามเขาก็เหมือนก็เป็นคำถามของเราเหมือนคล้ายๆกันมีประโยชน์นะถามนี้แล้วคนอื่นได้รับประโยชน์กันไม่ต้องมาถามซ้ํำๆกันกันวานสมายนี้เทคโนโลยีทันสมัยมากแล้วก็ถูกด้วยสมัยก่อนท่ายทอดสนแบบนี้ ต้องใช้เครื่องม้าเครื่องมืงอเยอะแยะไหมดอันนี้ไปถึงทั่วโลกได้คนมาจากทั่วโลกนะตอบเป็ว่าเสียงน้องจะดังเสียงน้องใช่จริงมันมีระบงตัดเสียงควรอันนี้เราต้องการให้มันซิมโตที่สุดเนะพราะว่าเราไม่มีไฟฟ้าเราใช้ถ่าน าใช้เครื่องไม้เครื่องมือมันมันต้องมันต้องเารป็นระบบที่ใช้ถาถ้ามีจักรมันจะรักษาสกับนจต่ความจริงเสียงธรรมชาติก็ดีให้มันมีบ้างออ่จุดนก็พอเราเล่งเสียงปุ๊บเสียงเขาก็จะดักแขกขึ้นอก็ไม่ไม่นานมันมีเสียงจักรจันแต่มันเดี๋ยวมันก็หยุดมาเป็นเครื่องเครืองไมเป็นปัญหาหรอก ว่าเราต้องการทำให้มันซิมเพิลที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนคนมาทำก็คนเดี๋ยวเขาก็คนนี้ก็ต้องไปธุระก็ต้องหาคนอื่นสลับกันไปถ้าเครื่องมือมันคอมเพล็กซ์มากหรือมันอันนี้ก็มีตัวไม่มาขยายเสียงในตัวตัวสีแดงเนี่ย มื่อก่อนที่เสียงยังไม่ดังเท่าอย่างนี้อนี้เขาได้ตัวขยายมาอแต่มันขยายทุกเสียงหมดมันแยกเสียงไม่ได้จริงๆมันมีจริงจรมันมีตัวนั้นเสียงนะครับอาจารย์โนบีชุดนึงแต่เป็นแว่าเราต้องเอาไปวางไว้จุดที่คนถามและจุดนั้นเราก็สามารถลดเสียงลงได้ให้ให้เบาหรืออะไรเงี้ยครับอาจารย์แต่ว่าตอนนี้คือทำเอาไม้ซิปเปอร์ที่สุดไปก่อนอ ก็ไม่แน่เดี๋ยวคนที่เขาฟังก็ติดตามเขาอาจจะมีไอเดียมีรู้ว่าเดี๋ยวก็ส่งมาให้ขอสายน้อยๆครับรอาจารย์สาเดี๋ยวเราก็จะเปิดโอกาสให้คนทางบ้านได้ถามต้องส่งข้อความกันมาแล้วใช่ส่งมาครับอาจารย์มีใครจะถามอะไรก่อนไหมครับก่อได้นะครับ กลับเป็นก่อนก็ได้นะอะเพราะไม่มีอะไรก็นั่งคุยกันไปถามตอบปัญหากันเดี๋ยวนี้จะคุยกันแบบเมื่อก่อนคงไม่ค่อยมีเวลามันถ่ายทอดสดต้องคุยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนี่นุโมทนานะ <c oughs> นุ้มีคำถามอะไรนะั้ย ไม่มีเดี๋ยวใช้ทางบ้านก็ถามนะครับได้ครับต่อไปเป็นคำถามจากทางผู้ชม a c e b o o k ไลฟ์นะครับคำถามจากคุณจูนนะครับการตั้งสัจจะเวลาปฏิบัติธรรมเช่นตั้งสัจจะจะเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงแล้วทำได้บุญที่ได้ตั้งสัจจะจะช่วยทั้งในทางธรรมและทางโลกอย่างไรบ้างคะแล้วในการปฏิบัติแต่ละครั้ง เราควรที่จะตั้งสัจจะทุกครั้งใหม่คะคือมันทำให้เราเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์ไม่โลเลไม่อ่อนไหวไม่เปลี่ยนใจง่ายๆเพราะการทำกับความสำเร็จนี้มันอยู่ที่การกระทําแล้วถ้าเราไม่ทําความสาเร็จ ก, ก็ไม่เกิดถ้าเราทำแล้วเราก็เปลี่ยนใจหรือถึงเวลาจะทำก็ไม่ทําผลมันก็จะไม่เกิด การที่ตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะก็เพื่อบังคับให้เราทำมันก็จะทำให้เราเป็นคนมีหลักมีเกณฑ์ไม่โลเลไม่หลอกตัวเองไม่หลอกคนอื่นจะเป็นคนมีมีเครดิตพูด ง, ง่ายๆพูดอย่างไรก็ต้องทำอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่มีสัจจะพูดว่าจะทำอย่างนั้นพอถึงเวลาก็ไม่ทำต่อเป็นคนที่เขารู้จักเราเขาก็จะไม่เชื่อถือเรา เราก็จะไม่มีความมั่นใจในตัวเราเองว่าเราจะทำในสิ่งที่เราตั้งใจจะทำได้หรือเปล่าพอพอถึงเวลาจะทาก็เปลี่ยนใจอาจจะขี้เกียจอาจจะอยากไปทำอะไรอย่างอื่นมีคนมาชวนให้ไปทำนู่นทานี่ก็เลยไปตามที่เขามาชวนการจะทำในสิ่งที่เราต้องการจะทำก็เลยไม่เกิดพอไม่ได้ทำก็ไม่เกิดผลขึ้นมานี่คือหลักของ การที่ไม่มีสัจจะจะทําให้สิ่งที่เราต้องการที่เกิดจากการกระทําของเราเองนี้มันไม่เกิดขึ้นมาถ้าเราอยากจะให้สิ่งที่เราทําเองเกิดขึ้นมาเราต้องมีสัจจะเพราะถ้าเราไม่บังคับตัวเราเองมันจะไม่ค่อยทําต่พราะของที่ดีมันไม่ค่อยชอบทําแต่ของที่ไม่ดีนี้ไม่ต้องไปบังคับมันให้มันไปเที่ยวนี้มันไม่ต้องบังคับมันมันไปของมันเหมือนเหมือนเดินลงเขาเนี่ยเวลาเดินลงเขานี่มันง่าย การทำตามกิเลสนี่มันง่ายแต่การต่อสู้กับกิเลสนี่มันยากมันเหมือนเดินขึ้นเขาในเวลาที่เราจะต่อสู้กับกิเลสนี้เราจึงต้องตั้งสัจจะอธิษฐานเช่นการเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงนี้ก็เป็นการบังคับตัวเราเองให้เดินถ้าเราไม่ตั้งเดี๋ยวแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแทนการกระทำความดีต่างๆจึงต้องตั้งสัจจะอธิษฐานมันถึงจะทำได้ อย่างเช่นวันนี้มาที่นี่ถ้าไม่ตั้งตั้งใจจะมาก็มาไม่ได้หรือตั้งใจแล้วแต่เปลี่ยนใจไม่มีสัจจะพ อ, อถึงเวลาไม่อยากมาพอดีเพื่อนชวนให้ไปที่นู่นที่นี่ททนก็ไม่ก็ไปก็เราจะไม่ได้มาที่นี่พอไม่ได้มาก็ไม่ได้มาฟังเทศฟังธรรมนั้นการที่มีสัจจะมีอธิษฐานนี่มันเป็นสิ่งที่ดีแม้แต่พตระพุทธเจ้าก็ยังต้องใช้สัจจะอธิษฐานในการที่จะตัดสู้เลย ตอนที่นั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี้ท่านก็ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าต่อไปนี้จะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัดสรู้ถ้าตัดได้ยังไม่ตัดสรู้จะไม่ลุกจากที่นั่งอันนี้เป็นขาดต่อให้ละต่อให้เลือดในร่างกายเหือดแห้งไปก็จะไม่ลุกจะลุกได้ก็ต่อเมื่อตัดสรู้แล้วทา่านไม่งั้นก็ยอมตาย อันนี้มันจะมันทามันจะเป็นตัวบังคับให้ต้องภาวนาต้องทำงานที่เราต้องทำพอถูกบังคับให้ทำมันก็ทำเพราะไม่มีทางออกแต่ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะที่ฐานพอนั่งไปสักพักพอเหนื่อยไม่อยากจะทำก็เลิกทามันก็เลยไม่สําเร็จทันทีคำถามข้อต่อไปจากคุณเมนะครับ ขอพระอาจารย์ช่วยขยายความของสังโยต์ของศีลละพัะตตะปาลมาเจ้าค่ะคือถ้าโยมตั้งใจไม่ละเมื่อศีลไม่ให้ศีลด่งพ้อยอันนี้ถูกต้องไหมคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งความจริงคําว่าศีลพัตตปรมา ต, ตามความหมายก็คือการการไม่ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้า คือไปทำอย่างอื่นแทนเช่นไปเชื่อหวงจุย้ยไปเชื่อหมอดูหมอดูบอกว่าให้เปลี่ยนชื่อให้เปลี่ยนทรงผมหงแห้งไม่ดีทรงผมแบบนี้ไม่ดีให้เปลี่ยนทรงผมชื่อนี้ไม่ดีให้เปลี่ยนชื่อชื่อนี้เป็นการละกีนีอันนี้เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นคำสอนนอกาศาสนาเป็นบุญนอกาศาสนา การทำบุญนี่ต้องทำบุญตามสัจธีพระพุทธศาสนาสั่งสอนมีอยู่สิบสิบข้อด้วยกันเช่นทำทานเนี่ยรักษาศีล น, นี่ก็ข้อที่ถามมารักษาศีลศีลห้าศีลแปดภาวนาฟังเทศฟังธรรมการช่วยเหลือผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นการเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนการ กวดน้ำอุทิศ ส, ส่วนบุญส่วนกุศลการร่วมอนุโมทนาบุญการมีความเห็นที่ถูกต้องการแบ่งปันธรรมะให้แก่ผู้อื่นนี่คือบุญในพระพุทธศาสนาการกระทำบุญในศาสนาพูดเรียกว่าเป็นการละศีละพัตนปรามาการทำบุญนอกคำสอนของพระเจ้านี้เรียก่าเป็นศีลพัปรมา จนไม่รักษาศีลกลับไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเ ป, เปลี่ยนทรงผมอยังกินเหล้าเมายาอยู่ยังโกหกหลอกลวงอยู่แล้วคิดว่ามันจะเจริญนะคนที่เปลี่ยนชื่อคนที่ไปติดคุกติดตารางนี่มีมีชื่อดีก็มีชื่อชื่อบุญก็มีชื่อเจริญก็มีทำไมไปติดคุกอ่ะถ้ามีชื่อดีชื่อมันไม่ได้เป็นตัวที่จะทำให้คนดีแล้วคนชั่ว คนจะดีคนจะชื่ออยู่ที่มีศีลหรือไม่มีศีลทําทานหรือไม่ทําทานนี่มันต่างกันตรงนั้นคําถามจากคุณวรรพยานะคะไม่ว่าจะทําบุญกุศลมากมายเพียงใดใช่ว่าจะแก้เคระกรรมได้ใช่ไหมครับเห็นพระนักปฏิบัติมากมายประสบเคระกรรมค่ะกรรมมันเป็นผลที่เกิดจากพิเดตที่เราทํามาบาปที่เราทํามาต่างๆ เมื่อทำแล้วมันเวลามันจะส่งผลไม่มีใครไปยับยั้งมันได้เหมือนคุณฟ้างเคลื่นก้อนหินไปเนี่ยคุณไปดึงกลับมาไม่ได้นะมันก็ต้องไปหล่นที่ไหนสักแห่งหนึ่งอันในคุณไปทำบาปแล้วผลของมันก็จะกลับมาหาคุณยังไอกรรมเก่าที่ทำไว้แล้วไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ไปรังรับผลไม่ได้แต่เราสามารถรังรับผลของกรรมที่เรายังไม่ทำได้ ก็เราต่อไปนี้เราก็อย่าไปทำบาปแล้วต่อไปก็จะไม่มีข้อกรรมที่เกิดจากการทำบาปอันใหม่นี้แต่ข้อกรรมที่เกิดจากการทำบาปมันเก่าก็ต้องรับเคาะไปแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าผู้ที่มีจิตใจที่ที่ปราศจากกิเลสแล้วจะไม่เดือดร้อนกับข้อกรรมต่างๆพระพุทธเจ้าพระลานตาสาวกนี้ท่านไม่เดือดร้อนกับข้อกรรมต่างๆท่านรับกมันได้อย่างสบาย เหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะผู้ที่รับข้อกรรมก็คือร่างกายเท่านั้นเองใจไม่ได้ไปรับแทนร่างกายแล้วแต่ผู้ที่ยังมีกิเลสมีความหนงอยู่นี่จะไปรับข้อกรรมแทนร่างกายด้วย mm hmm. คือจะทุกข์ทั้งกายและทุกข์ทั้งใจแต่พระอรหันกับพระพุทธเจ้านี้ท่านทุกข์เพียงร่างกายซึ่งยังไงมันก็ต้องทุกอยู่แล้ว mm hmm. เดี๋ยวมันแก่มันก็ทุกข์เดี๋ยวมันเจ็บไายได้ป่วยมันก็ทุกข์ ดังนั้นแต่ใจของท่านจะไม่ทุกข์กับร่างกายต่อไปดังนั้นต่อให้มีวิบากขนาดไหนท่านก็ไม่เดือดร้อนอย่างพระโมคคัลลานะท่านมีอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์ท่านสามารถที่จะหนีข้อกรรมได้แต่ท่านบอกหนีวันนี้พรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่ท่านก็เลยไม่หนีท่านเรื่องของข้อกรรมท่านปล่อยให้มันเกิดขึ้นแล้วพอมันเกิดแล้วมันก็จะหมดปัญหาไปข้อกรรมต่างๆพอมันได้แสดงผลแล้วมันก็จะหายไป แต่ถ้ายังไม่ได้แสดงผลเราหนีไปที่ไหนมันก็ตามเราไปต่อคาถามจากคุณแออาจารย์ครับที่ว่าให้อยู่กับพุทธโทตลอดอย่าลืมพุทธโทก็พอหมายถึงให้พุทธโทอยู่ตรงไหนของร่างกายครับตรงปลายจมูกหัวใจท้องน้อยหรือให้เพ่งจดจ่ออยู่กับองค์พระพุทธรูป องค์พระสงฆ์ที่เราเคารพนับถือหรือยังไงครับอ่ไม่อยู่ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยให้อยู่ที่คำว่าพุโทโธให้เราอยู่กับคำว่าพุทโธให้เรารู้ว่าเรากำลังพุโทโธพุโทโธอยู่ไม่ต้องไปอยู่ที่ลมไม่ต้องไปอยู่ที่ที่ไหนให้อยู่กับคำบริกรรมพุโทโธอย่าให้ใจมันไปคิดถ้าเราพุโทโธอยู่มันจะคิดไม่ได้แต่บางทีถ้าเราพุโทโธแบบนกแกว้วมันก็ยังคิดได้ แสดงว่าเราไม่ได้อยู่กับพุโทโธเราเพียงแต่ท่องมันไปแต่ใจเราไปคิดเรื่องอื่นแทนนะอันนี้เราต้องอยู่กับพุโทโธทุกคำพูดเลยทุกคำพุพโทโธนี้เราต้องรู้สึกตัวตลอดเวลาว่าเรากำลังพุโทโธอยู่ใหม่ๆอาจจะมีความแทกความคิดแทกเข้ามาแข่งกันก็อย่าไปสนใจนให้เราอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆต่อไปความคิดต่างๆมันก็จะไม่เข้ามาแทกแล้วใจก็จะว่างจะเย็นจะสบาย คำถามจากสามเณรยุทธนะครับอยากถามว่าผมนั่งสมาธิสวดมนต์หรือทำงานต่างผมพยายามระลึกพุโทโธแต่ใจผมมันวุ่นวายครับจะทำยังไงให้ใจมาอยู่กับตัวแล้วเกิดความสงบก็นั่นหละก็ต้องอยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่มันวุ่นวายเพราะว่ามันมันไม่ได้อยู่กับพุโทโธจริงๆอาจจะอยู่แค่คำสองคำแล้วก็ไปละ เวลาล อ, ลองทำดูสิเริ่มต้นได้สองสามคำแล้วเดี๋ยวก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ลืมพุโทโธไปแล้วมันก็เลยวุ่นวายใจขึ้นมาแต่ถ้ามีพุโทโธไปเรื่อยๆไม่มีไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันไม่วุ่นวายแล้วมันจะเย็นจะสบายแสดงว่าพุโทโธเรายัางมีน้อยมากคำถามจากคุณฟุกนะครับคนที่ถูกตลาดดินแบ่งแล้วนาเงินมาทาบุญได้บุญไหมครับเพราะผู้ให้ตั้งใจ ผู้รับเป็นพระนักปฏิบัติดีแต่เงินมาจากการถูกลอตเตอรี่ผลของบุญต่างจากเงินที่ไม่ได้มาจากถูกลอตเตอรี่อย่างไรครับบุญที่ได้มาจากการทําอาชีพที่สุดจริตกับการอาชีพไม่สุดจริตมันก็มีมีโทษกับไม่มีโทษถ้าเราได้เงินมาจากอาชีพที่สุดจริตก็จะไม่มีโทษไม่มีบาปแต่ถ้าเราได้เงินมาจากอาชีพที่ไม่สุดจริตมันก็จะมีบาป เรื่องของบุญก็เรื่องหนึ่งเรื่องของบาปก็เรื่องหนึ่งเงินที่เราได้มาไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีทําบาหรือไม่ทําบาปถ้าเอาไปทําบุญก็ได้บุญเหมือนกันมันคนละบัญชีกันแต่คนที่ทําบุญโดยที่ไม่ได้ทําบาปก็จะไม่มีโทษไม่ต้องไปใช้โทษจะได้รับบุญอย่างเดียวถ้าเอาไปทําบุญแต่คนที่ไปเอาเงินมาจากการทาบาปก็จะมีโทษของการทาบาป เช่นชาตหน้าอาจจะถูกคนเข้ามาขโมยเงินเราไปเราไปขโมยเงินของคนอื่น้ามาเดี๋ยวชาติหน้าเราก็ถูกคนอื่เข้าขโมยไปหรือแทงหวยงวด น, นี้เราเอาเงินของคนอื่นก็ามางวดหน้าเราแทงเราไม่ถูกเขาก็เอาเงินเราไปแต่ <c oughs> ในกรณีนี้เป็นการใช้เงินตัวเองซื้อลอตเตอรี่แต่ถูกก็แสดงว่าไม่บาปใช่ไหมครับอาจารย์ก็ซื้อลอตเตอรี่มันก็บาปเพราะเอาเงินของคนอื่นมาใช่ใช่ไหม เงินที่ถูกวัตเตอรี่มันมาจากที่ไหนมันก็เอาเงินของคนอื่นมาเพียงแต่ว่าเขายินดีให้ก็จะว่าไม่บาป ก, ก็ได้เพราะว่ามันเป็นการยินยอมกันเป็นการมาเสี่ยงโชคกันถ้าคุณมีโชคคุณก็เอาเงินของเราไปเรายินดีให้ถ้าเรามีโชคเราก็เอาเงินของคุณมาเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นวิธีที่ที่ควรจะทําใช้ในการทำมาหากินเพราะมันไม่แน่นอนแล้วก็มันอาจจะไป อ, อได้เงินจะบนกองทุกของผู้อื่นเพราะคนอื่นที่เขาซื้อแทนที่เขาเอาเงินไปซื้อของจำเป็นก็าอาจจะามาซื้อลอตเตอรี่แทนแทนที่จะเอาเงินไปซื้อกับข้าวกับปลาหรือซื้ออาหารให้ลูกงนี้กับเอาไปซื้อลอตเตอรี่ลูกต็อดอยากขาดแคลนไปหรือแทนที่ให้ลูกเอาเงินไปเรียนพิเศษก็ไม่มีเงินไปเรียนพิเศษนี้อันนี้ก็เหมือนกับการที่เราเอาเงินเขา เ อ, เอาเงินจากกองทุกของผู้นเทางที่ดีอย่าไปเล่นการพนันอ่ะดีที่สุดแล้วจะไม่มีใครสูญเสียะทุกคนก็มีทรัพย์ของตนจะได้เอาเงินที่มีอยู่นี้ไปใช้ให้มันเป็นประโยชน์คำถามจากคุณมาราพรการวิปัสสนาเมื่อตามรู้สภาวะจิตตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเช่นฟุ้มซ่านโกรธอิจฉาแล้วปล่อยวางเท่านั้นหรือ ควรจะใครควรหาต้นตอของสภาวะจิตต่อไหมคะทํายังไงก็ได้ทําให้มันหายไปทําไม่อยากให้มันเกิดขึ้นใหม่ให้จิตว่างไม่มีอารมณ์ต่างๆจิตจะว่างได้ก็ต้องเห็นว่าอารมณ์ต่างๆเป็นไตรลักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ไปยินดียินร้ายกับมันมันเกิดก็ปล่อยมันเกิดไปมันดับก็ปล่อยมันดับไปอยากไปอยากให้มันเกิดแล้วอย่าไปอยากให้มันดับ แล้วใจจะไม่ทุกข์กับอารมณ์ตา่ตางๆแล้วใจก็จะว่างจากอารมณ์ตา่ตางๆถึงแม้จะมีอารมณ์อารมณ์นั้นก็ไม่มีความหมายกับใจต่อไปเพราะใจจะไม่ทุกข์กับมันคำถามจากคุณอามอนถามว่าถ้าเกิดผมมองผู้หญิงสวยมากๆ<ม>เกิดอารมณ์ที่อยากแตะทีิจาราว่าร่างกายเหล่านี้กำลังเหี่ยวเฉาไปทุกวันสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นโครงกระดูก การทิจารนาเช่นนี้จะเป็นการฝืนจิตหรือจะเป็นการหลอกตัวเองหรือไม่ครับเออ๋อเป็นการฝืนกิเลสเราต้องฝืนกิเลสเพราะกิเลสมันถูกความหลงหลอกให้ไปมองในส่วนที่สวยงามเพราะในร่างกายนี้มันมีทั้งส่วนที่สวยงามและไม่สวยงามถ้าเราไปมองในส่วนที่สวยงามมันก็จะเกิดกิเลสขึ้นมาเกิดความอยากขึ้นมาเกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจขึ้นมา แต่ถ้าเรามองไปในส่วนที่ไม่สวยงามมันก็จะดับความวุ่นวายใจยดับความทุกข์ได้ใจก็อยู่สงบไม่ต้องไปวิ่งไปหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรางั้นมันไม่ได้เป็นเป็นเป็นพิษเป็นภยัยหรือเป็นของหลอกมันเป็นของจริงเพียงแต่ว่าเราจะมองด้านไหนเราชาอบไปมองด้านสวยงามไม่ยอมมองด้านไม่สวยงามมันก็เลยทําให้เราต้องไปวิ่งหาคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเรา แล้วไปหึงหวงแล้วก็ไปตีกันไปฆ่ากันเพราะความหึงหวงเพราะความอยากจะได้เขามาเป็นกู้ของของเราทำให้เราต้องไปทำบาปทำให้เราต้องไปทุกกับเขาแต่ถ้าเราเห็นความไม่สวยงามของเขาเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเราก็อยู่คนเดียวได้สบายไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปหึงไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปเสียใจเวลาที่เขาทิ้งเราไป คำถามจากคุณสะออเวลาที่หนูไหว้พระสวดมนต์เสร็จจะนั่งสมาธิภาวนาพอนอนก็จะภาวนาพุโทโธไปด้วยใจเหตุใจจิตมันจึงตื่นอยู่ตลอดทำให้นอนไม่หลับต้องหยุดภาวนาไปถึงนอนหลับนะคะเพราะเวลาภาวนาถ้ามันมีสติมันก็ไม่หลับคำถามจากคุณสุกิตรา มีคนบอกว่าทําไมช่วงนี้รู้สึกอยากไปแต่วัดคะหลงในบุญหรือเปล่าคําว่าหลงในบุญในคํานี้กล่าวได้กล่าวไว้ด้วยหรอคะก็แล้วแต่คนก็ไปวัดไปเพื่ออะไรบางคนเขาเขาไปเพื่อทําบุญแล้วเขามีความสุขแต่ไปว่าเขาหลงหรือไม่หลงมันก็เป็นเรื่องของเขาอ่ะ เพราะการทำบุญ น, นี่มันไม่มีโทษอ่ะมันไม่เหมือนกับการไปไปเสพยาเสพติดการไปเสพยาเสพติดก็เป็นการหลงไปหลงหายาเสพติดมาให้ความสุขอันนี้ก็หลงเพราะว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์แต่การไปหาบุญ น, นี่มันเป็นความสุขที่แท้จริงมันจริงไม่ใช่เป็นความหลงมันเป็นความจริงนัง่ น, เ ป, นเป็นเพียงแต่คาพูดเท่านั้นว่าไปหลง<ฆ>บุญ ความจงคนไปทาบุญนี่เขาไปหาความสุขที่แท้จริงไม่เลยไปหาความทุกข์แต่คนที่ไปหายาเสพติดนี่แหละเป็นคนที่ไปหลงคิดว่ายาเสพติดเป็นความสุขความจริงไปหาความทุกข์กันงั้นการไปทาบุญนี่ไม่เรียกว่าเป็นการหลงเป็นการไปหาสิ่งที่ดีที่มีคุณมีประโยชน์ไม่มีโทษ อาจจะพูดคำว่าหลงบุญก็เป็นคำพูดไปเท่านั้นเองอาจจะบอกว่าติดทำบุญดีกว่าชอบทำบุญดีกว่ารักการทำบุญดีกว่าคำถามจากคุณเต้าค่ะหากดีฉันไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดแต่ปฏิบัติที่บ้านโดยภาวนาพุทโธและตามรู้ในความรู้สึกนึกคิดของตน แต่ยังขาดเวลาและความต่อเนื่องในการนั่งสมาธิพอนั่งแล้ววุ่นก็หามาหัานมานอนพุโทโธตจนหลับอย่างนี้ต้องหาปรีดวิเวกให้ตัวเองยังสมาธิในการปฏิบัติเพื่อให้ตัวเองได้สติขึ้นมาได้หรือเปล่าคะคือยังปฏิบัติไม่ถูกอ่ะควรจะอยู่แต่พุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องไปตามตามความรู้สึกนึกคิดถ้าไปตามรู้มันก็จะไม่สงบ ให้อยู่กับพุโทโธเพียงอย่างเดียวแล้วมันก็จะสงบอย่าไปสนใจกับเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในใจให้สนใจอยู่กับคําพุโทโธพุโทโธไปเพียงอย่างเดียวแล้วจิตก็จะสงบสงบแล้วก็จะมีความสุขได้ผลจากการนั่งสมาธิได้ผลจากการเจริญสติถ้าพุโทโธสองคำแล้วก็ไปดูความคิดไปตามความคิดมันก็ไม่มีวันที่จะสงบได้งั้นอย่าไปตามความคิดอย่าไปตามอารมณ์ต่างๆ ให้อยู่กับพุทธโธเพีอย่างเดียวคำถามจากคุณพชณีค่ะขอความการุณาอธิบายการเห็นกายในกายเพื่อความกระจ่างคือการหันกายก็ให้เราเห็นธรรมชาติความเป็นจริงของร่างกายว่าหนึ่งมันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเมื่อมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันก็จะทําให้เราทุกข์เพราะว่าเราไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย การที่เราไปอยากก็เพราะเราไปหลงไปคิดว่ามั น, นตัวเราของเราเราก็ต้องมองให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเป็นของพ่อของแม่ก่อนที่จะมีร่างกายนี้เราอยู่ที่ไหนเคยถามตัวเคยถามปัญหานี้บ้างไหมมันมาจากตัวเรามาจากร่างกายนี้เลยตัวเรามันอยู่ตอนตอนที่ไม่มีร่างกายนี้เราก็ยังเราก็อยู่ แต่เราจะอยู่สวรรค์แล้วเราจะอยู่นรกก็แล้วแต่บุญาบาปที่เราทําไว้พอบุญกับบาปมันไม่มีกําลังที่จะดึงเราไว้บนสวรรค์หรือนรกเราก็มาหาร่างกายพอพ่อแม่ก็มาร่วมสังฆกรรมกันเขามาสร้างร่างกายขึ้นมาเราก็มาจองเหมือนกับเราไปจองรถที่โรงงานเขายังไม่ทันผลิตแต่เราไปจองไว้ก่อนเราซื้อใบจองไว้แล้ว พอเขาผลิตลอดเสร็จแล้วก็ขับออกมาจากโรงงานได้เลยพอร่างกายนี้สําเร็จเรียบร้อยเก้าเดือนก็คลอดออกมาเราก็ขับร่างกายนี้มาอยู่กับร่างกายมาตลอดจนทําให้เราคิดว่าเราเป็นร่างกายไปเราต้องมาปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราถึงจะสามารถแยกตัวเราออกจากร่างกายได้แล้วเราก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเราเป็นคนขับร่างกาย ร่างกายเป็นเหมือนรถยนต์แล้วแต่ร่างกายนี้ที่เราได้มานี้เดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ไปยึดไปติดต้องไม่ไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้คือการเห็นกายเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันเป็นของเราอย่าไปอยากให้มันอยู่กับเราเป็นหนานานเพราะมันเป็นไปไม่ได้ ร่างกายทุกร่างกายที่เราได้มาเดี๋ยวมันก็ต้องจากเราไปงนั้นเราต้องเห็นว่ามันไม่เป็นตัวเราเราจะได้ไม่เสียดายมันถ้าเรายังคิดว่าเป็นตัวเราก็เราก็จะเสียดายเราก็จะยึดเราก็จะห่วงเราก็จะทุกข์กับมันมันก็ไปอยู่ดีไปแบบทุกข์หรือไปแบบสุขก็อยู่ที่ว่าเรามีสติมีปัญญาหรือไม่เห็นกายในกายหรือไม่ แต่เห็นกายในกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังแล้วหน้าตาก็จะไม่ทุกข์กับมันอ่ามีโฆษณาด้วยเหรอจะได้ไม่ต้องพูดเยอะไปรย์อ่าเอ็นบุ๊ก่หครับอาจารย์ทานทดสดแล้วก็ตามช่วงทีสองอะไรเงี้ยครับปีสองพันจะหลายขึ้นนะคำถามจากคุณเลดี้ค่ะ หากเรานั่งสมาธิแต่เรายังไม่ทราบว่านี้คือสมาธิจริงหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามเมื่อออกจากสมาธิเราก็แผ่เมตตาอย่างนี้จะถือว่าเป็นบาปไหมคะเออ๋อไม่บาปหรอกเงแต่ว่าการแผ่เมตตานี่ยต้องแผ่ตอนที่เราเจอหน้าคนเวลาแผ่เนเมตตาโดยไม่มีคนรับเมตตามันก็เหมือนกับไม่ได้แผ่เราต้องแผ่ตอนที่เราไปเจอหน้ากันเจอหน้ากันเอาขนมมาฝากกันอย่างนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตา มีข้าวของเงินทองที่เราเหลือกินเหลือใช้อยากจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นนี่เรียกว่าแผ่เมตตาอย่างวันนี้ญาติโยมมาที่นี่มาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่มาเจอกันเวลาอยู่คนเดียวไม่มีใครรับมันก็มัน ก, มนก็มันก็ไม่ได้แผ่แผมไปก็ไม่มีคนรับที่ให้แผ่ก็คือให้ให้ฝึกให้สอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตานะเวลาที่เราเจอผู้คนหรือเจอศัพท์ภาษาทั้งหลาย ถ้าเจอเขาก็ต้อนรับเขาเช่นมีผีมาเยี่ยมเราก็อย่าไปขับไล่เขาทักทายเขาถามผาสถามสารททุกสุขดิีเป็นยังไงสบายดีเหรือมีปัญหาอะไรอยากให้เราช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าผีมันก็อาจจะเดือดร้อนก็ได้อาจจะจะขอส่วนบุญอถ้าเขาส่วนเขาขอส่วนบุญเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราก็ไปใส่บาตรใส่บาตรแล้วเราก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับเขา ถึงจะเรียกว่าแผ่เมตตาแล้วก็แผ่แล้วก็อุทิศบุญด้วยการอุทิศบุญก็เป็นวิธีแผ่เมตตาอีกแบบหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นการแผ่เมตตาวิธีเดียวการส่งของขวัญให้กันเนีเช่นในวันเกิดวันขึ้นปีใหม่เราส่งของขวัญให้กันแล้วกันนี่ก็เรียกว่าแผ่เมตตาว่าไงต่อไปคำถามจากคุณก้อยค่ะการที่เราใช้ชีวิตในแต่ละวันแล้วไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปรักทรัพย์ ไม่หยิบของผู้อื่นมาใช้แบบนี้ถือว่าเป็นการรักษาสินไปในตัวเลยหรือไม่คะก็ใช่ถ้าเราไม่ทําบาปก็เท่ากับเรารักษาสินคําถามจากคุณเพนค่ะการเห็นอสุภะนอกจากเห็นตนเองแล้วสิ่งต่างๆที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเราก็มองเห็นด้วยคนเรเห็นว่าไปจบเราก็มองเห็นเช่นกันด้วยใช่ไหมเจ้าคะเช่นเห็นรถยนต์กลายเป็นเศษเหล็ก แล้วสักพักก็กลับมาเป็นเดิมบ้านหลังบ้านพังถล่มปลาทอดในจานกลายเป็นปลาสดจนทานอาหารไม่ได้ต่อทั้งวันหรือต้นไม้ตายต่อหน้าเหมือนเราฟอร์เวิร์ดเหมือนในทีวีจนแยกไม่ได้เลยว่ามันของจริงหรือของปลอมบางครั้งหิ้วพักถลม่มลงมาเผลอเอามือไปรับทั้งที่จริงแล้วหิ่งพายังปกติดีเพราะเรายังฝึกไม่พอสติไม่ทนัน หรือเพราะเรานั่งสมาธินิ่งเงียบจนฟุ้งซ่านไปเองแต่ทั้งหมดนี้เห็นด้วยตาเปล่าในกลางวันและไม่มีเรื่องเครียดอะไรแต่ทุกวันที่ว่างโยมจากเผลอภาวนาพุทโธด้วยความเคยชินนอกเหนือจากนั่งสมาธิในทุกๆคืนเจ้าค่ะคือการสุขเข็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายก็เพื่อที่จะดับการอารมณ์ถ้าเรามีการอารมณ์แล้วเรานึกถึงความไม่สวยงามของร่างกายเขาเราก็จะ ดับการอารมณ์ได้แต่ถ้าเราไปนึกถึงความสวยงามของเขาเราก็จะเกิดการอารมณ์ขึ้นม า, างั้นมันไว้สำหรับเวลาเราเกิดการอารมณ์แต่ก่อนที่เราจ ะ, ะใช้มาดับการอารมณ์ได้เราต้องเตรียมมันไว้ก่อนมันเราต้องเตรียมน้ำดับไฟไว้ก่อนถ้านจะมาหาน้ำตอนที่เกิดไฟแนละ้วมันจะไม่ทันการเราจึงต้องพิจารณาสุภาษิอยู่เรื่อยๆ ดูร่างกายของเราก็ได้ของคนอื่นก็ได้เพราะมันเหมือนกันแต่คนจะดูร่างกายของคนที่เราชอบคนที่เรารักเพื่อที่เราจะได้ เ, เลิกชอบเขาเลิกรักเขาเพราะความรักแบบนี้ไม่ใช่เป็นความเมตตามันเป็นการอารมณ์การอารมณ์นี้จะทำให้เราหึงหวงจะทำให้เราทุกเวลาที่เราเสียเขาไปเวลาเขาเลิกกับเราเวลาเขาทิ้งเราอย่างี้ แต่ถ้าเราเห็นว่าเป็นซากศพเป็นอสุภะเราก็ยินดีเข้าไปนเวลาแฟนเราตายเราอยากจะเก็บไว้ที่บ้านหรือเปล่ายกให้สับปเปลือได้เลยใช่ไหมแต่เวล า, ายังหายใจอยู่นี่แหมใครยังมาข อ, อไม่ยอมให้ะเราต้องมองอสุภะมองส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายของเขาของคนที่เราเร า, เราชอบเรารัก คนที่ไม่ชอบเราไม่รักไม่ต้องไปดูแล้วเพราะเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วเราไม่เราไม่มีการมารมกับเขาแล้วเราต้องการดับการมารมกันถ้าเราเกิดการมารมกับใครเราก็ต้องมองอสุภะของคนนั้นถ้ายังไม่มีคนที่เราลักก็ชอบแต่เรารูเพศเช่นเราเป็นผู้ชายเราชอบผู้หญิงเราก็พยายามมองความไม่สวยงามของของผู้หญิงอย่าไปมองความไม่สวยงามของผู้ชายเพราะมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร เพรเราไม่ได้ชอบผู้ชายอยู่แล้วแต่ถ้าเราชอบผู้ชายเราก็ต้องมองความไม่สวยงามของผู้ชายเราต้องดูความไม่สวยงามของบุคคลที่เราไม่ชอบของของบุคคลที่เราชอบเรารักเพื่อที่เราจะได้หยุดชอบหยุดรักมันเราก็ต้องซ้อมไว้ก่อนเตรียมน้ําดับไฟไว้ก่อนถ้าไม่เตรียมไว้เวลาเกิดการมารมณ์ขึ้นมาก็จะไม่มีน้ํามาดับไฟก็ต้องไปตอบสนองการมารุมด้วยการไป ร่วมเสพการามกับเขานีก็เรื่องของการพิจารณาสุภาะการพิจารณามันต้องมีสติมีสมาธิมันถึงจะควบคุมความพิจารณาให้อยู่ในเรื่องในราวได้อย่างที่เล่ามานี่แสดงว่าสเปะสะปะไม่รู้เรื่องไหนเรื่องนั้นคิดไปมั่วกันไปหมดอันนี้ไม่ใช่เรียกว่าวิปัสสนาเ็าเรียกว่าก็เรียกว่ า, วาทาเมาไม่ใช่ธรรมะเมา คิดไปหมดทุกเรื่องแล้วก็ไม่ไดไ้ไม่รู้ว่าคิดไปเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรก <Okay. S 1> ารพิจณานี้มันมีมีเหตุมีผลพิจารณาเพื่อมาแก้ปัญหาที่มีอยู่ในใจของเราเช่น <Okay. S 1> ถ้ากลัวความตายก็พิจารณาร่างกายอยู่เรื่อยว่ามันต้องตายเพื่อจะได้ให้มันยอมรับความจริงว่าต่อไปร่างกายที่ต้องตายแล้วต่อไปมันก็จะยอมรับความตายได้พอมันยอมรับความตายแล้วมันก็จะไม่กลัวตาย เราต้องต้องต้องดูเหตุผลว่าเราพิจารณาเพื่ออะไรเช่นเรารักคนนั้นคนนี้เราไม่อยากให้เขาตาย เ, ยเราต้องพิจารณาบ่อยๆว่าเขาต้องตายเขาต้องตายจนมันมันมันมันจำได้มันก็จะยอมรับความจริงแล้วมันก็จะยอมปล่อยให้เขาตายได้คำถามจากคุณวีราดาค่ะกายกับใจคนละอย่างกันใช่ไหมคะทาไมกายนอนทาไมใจ จึงฝันคะความฝันมีประโยชน์อะไรไหมคะคือใจนี่มันทํางานของมันไปไม่ว่าร่างกายจะนอนหรือไม่นอนความคิดนี่มันคิดไปได้เรื่อยเปื่อยเพราะฉะนั้นมันคนละคนกันอ่ะคนหนึ่งพักผ่อนอีกคนหนึ่งไม่พักผ่อนส่วนความฝันนี้มันก็แต่ว่ามีประโยชน์หรือไม่ก็แล้วแต่ว่าฝันถึงเรื่องอะไรถ้าฝันเห็น่สุภาษมันก็เป็นประโยชน์ถ้าฝันเห็นว่าเรานอนตายอย่นี่มันก็เป็นประโยชน์ พราะจะทําให้เราเตรียมตัวเตรียมใจว่าเราต้องต้องตายมันอยู่ที่ว่าเราฝันแล้วเห็นอะไรบางคนฝันแล้วเห็นเลขแล้วก็ไปแทงหวยเขาก็ได้ประโยชน์แต่เป็นประโยชน์แบบกิเลสเพราะจะทำให้อยากจะเห็นเลขอยู่เรื่อยๆพอคืนไหนฝันแล้วไม่เห็นเลขก็จะทุกข์ขึ้นของใจมันที่มันจะคิดไปเอง เรนเราไม่ต้องไปกังวลกับมันมากเกินไปมันจะฝันอะไรทางที่ดีที่สุดก็คือเวลาตื่นขึ้นมาแล้วให้ลืมมันไปซะมันเป็นอดีตไปแล้วอย่าเอามันม า, เ, าเป็นสาระนอกจากว่าเอามาเตือนสติเตือนใจว่าเออเราต้องเตรียมตัวตายนะเช่น mm. ฝันเห็ น, น, นว่าเราโดนรถชนตายเงี้ย เ, เราก็จะได้อมีความระมัดระวังแล้วเวลาขับรถเวลาข้ามถนนจะได้คอยสังเกตสังกาให้มัน รอบคอบจะได้ไม่ถูกว่าชนตายเพราะการฝันนี่มันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องตายด้วยสิ่งที่เราฝันมันอาจจะเป็นเป็นเป็นความฝันที่เราคิดไปเองแต่ถ้าเรามาใช้ให้เป็นเป็นประโยชน์ก็จะดีทำให้เรามีความระมัดระวังหรือว่าจะทำให้เราปรงก็ได้ว่า เ, ออเดี๋ยวกูณต้องตายแล้วข้ามถนนเดี๋ยวก็ยอมตาย ม, มันก็จะไม่ทุกข์ คือขอให้เร า, เามาใช้เพื่อดับความทุกข์ความวิตกกังวลเนี่อย่าเอามาสร้างความวิตกกังวลสร้างความทุกข์ถ้ามันสร้างความทุกข์สร้างความกังวลก็เริ่มมันเสียดีกว่าอย่าไปคิดถึงมันคําถามจากคุณสินถ้านั่งสมาธิแล้วสงบแล้ว ต, ต่อไปมีอะไรใหม่ครับอถ้าสงบแล้วมันก็จะมีความสุขมันก็จะทิ้งผัวทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งข้าวทิ้งของได้ ตอนนี้ีมันทิ้งไม่ได้เพราะมันไม่มีความสุขมันต้องไปหาผัวหาเมียหาลูกหาอะไรกันถ้ามันสงบมันมีความสุขจริงๆมันทิ้งหมดมันอยากจะไปบวชมากกว่าอยากจะไปอยู่คนเดียวอยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระหัตถาลานตัาาสาวกพวกนี้เขามีความสุขทางใจกันเขาเลยต้องเขาเลยไม่ต้องมีลูกมีเมียไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกัน จึงจะแผ่ให้ผู้อื่นเออไม่เกี่ยวกันคำว่าแผ่เมตตาก็บอกแล้วไม่ต้องทําบุญก็แผ่ได้การทําบุญนี้ทําบุญแล้วก็อุทิศบุญได้ต้องอุทิศให้เราหรอเพราะเวลาเราทําบุญเราได้เราได้มีบุญเขาต้องมาขอเพิ่มบุญของเราแล้วก็แบ่งให้เขาไปทําบุญแล้วอุทิศบุญได้แต่แผ่เมตตานี่แผ่ได้ตลอดเวลาเวลาเจอผู้คนเจอใครนี่ก็มีขนมก็แบ่งให้เขานี่ก็แผ่เมตตาแล้ว เราคุยกันทักทายเขายิ้มแย้มแจ่มใสถามส า, มถามสารทุกสุขเด็บนี่ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาคือให้เรามีความคิดที่ดีปรารถนาดีกับผู้อื่นคิดให้เขาอยากให้เขามีความสุขวิธีใดที่ทำให้เขามีความสุขล้วก็ทำไปยิ้มให้เขาได้ก็ยิ้มไปมีของแบ่งให้เขาได้ก็แบ่งไปอันนี้เรียกว่าแผ่เมตตา ไม่ต้องรอเวลาที่มานั่งสมาธิไม่ต้องมารอเวลามาทําบุญถึงเนยแผ่แผ่ได้ตลอดเวลาเวลาเจอหน้าใครก็แผ่เลยสบายดีเลอมีอะไรอยากให้ช่วยเหลือไหมนี่ก็แผ่แนละ้ววันนี้จะให้ใช้เราไปไหนบ้างอินดีรับใช้เดี๋ยคุณพ่อคุณแม่ถามว่า น, นี้คุณพ่อคุณแม่อยากให้หนูทําอะไรอันนี้ก็แผ่เมตตาแล้ว คำถามจากปุณสุเมธินนะครับกับผมทำสมาธิโดยกำหนดลมหายใจเข้าออกมีความรู้สึกว่าตนเองไม่หายใจลมหายใจเบาจนไม่รู้สึกว่าหายใจเมื่อกำหนดรู้ไปเรื่อยๆปรากฏว่ามีแต่ความรู้สึกรู้ตัวตนหายไปไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกอยู่ในอารมณ์แบบนี้นานเท่าไหร่ไม่สามารถกำหนดได้ก็เกิดความสงสัยคิดว่าตัวเองตายแล้วจิตเลยถอนออกมาจากอารมณ์นี้ หลังจากนั้นก็ไม่สามารถเข้าสู่อารมณ์นั้นได้อีกเลยถึงแม้จะพยายามทําสมาธิแบบที่เคยทําก็เข้าไม่ถึงอารมณ์นั้นได้อยากเรียนถามว่าอารมณ์ความรู้สึกหรือสภาวะที่เกิดขึ้นกับผมเรียกว่าอะไรทําอย่างไรจึงจะเข้าถึงอารมณ์หรือความรู้สึกนั้นอีกก็ทําทแบบนั้นเอ่ะเคยทำอย่างไงก็มันเคยเข้าทางไหนมันก็เข้าไปทางนั้นเจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ ขอให้มันมีความสุขก็แล้วกันถ้ามันมีความสุขก็ดีถ้ามันไม่มีความสุขเลยก็แสดงว่ายังไม่ใช่ถ้ามันเป็นความสงบจริงๆนี่มันจะสุขมากมันจะไม่อยากได้อะไรคำถามจากคุณวัฒนานะครับว่ากันว่าและเชื่อกันว่าในปัจจุบัน ที่เราใช้ชีวิตกันอยู่นี้การทำบุญทําทานสร้างวัดสร้างพระพุทธรูปจะส่งผลให้ตัวบุคคลที่ได้ทำมีความเจริญก้าวหน้าจากที่พอมีพอกินชีวิตก็ดีขึ้นมีเงินมีทองใช้กว่าแต่ก่อนหรือคนที่รวยมีเงินมีทองอยู่แล้วได้ไปสร้างวัดหล่อพระสร้างพระพุทธรูปก็จะยิ่งทำให้คนนั้นมีบารมีและล่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปสิ่งต่างๆที่เราได้ทานั้น จะเป็นอนิสงผลบุญที่ได้รับในชาตินี้เลยจริงเท็จประการใดครับไม่จริงหรอกมันต้องรอชาติหน้าชาตินี้ก็จะจนลงเพรายิ่งทาบุญมันก็ยิ่งน้อยลงไปใช่ไหแต่มันจะดีสำหรับชาติหน้าต่อไปเหมือนกับว่าเราเราเราเราส่งเงินไปรอเราในข้างหน้าเหมือนเราจะเดินทางไปที่ไหนเราก็โอนเงินไปที่นั่น พอเราไปถึงที่นั่นเราก็เบิกเงินใช้ได้บุญที่เราทําในวันนี้ก็เหมือนกับการการโอนเงินโอนทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปรอเราอยู่ข้างหน้าพอเราเรากลับมาข้างหน้าเราก็จะได้มีเงินทองใช้เหมือนพระเวชสันดร น, นี่ท่านก็ทําบุญมากมายพอท่านตายไปท่านก็ไปเกิดในสวรรค์ก่อนไปเที่ยวก่อนเที่ยวในสวรรค์เที่ยวในโลกทิพย์ พอเที่ทยวเสร็จแล้วก็ลงมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมาอยู่เป็นเจ้าชายมีปราสาทสามฤดูมีคนรับใช้มีคนอะไรคอยดูแลช่วยเหลือทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพวชาติที่เป็นพระเวชสารดได้ทำบุญไว้มากนนคนที่จะทำบุญต้องเข้าใจว่าอา น, นิสงส์ของบุญนี่มันรอในภพหน้าชาตินะไม่ใช่ในภพนี้ คอบนี้มันจะจนลงไปเรื่อยๆเพระยิ่งทํามากเท่าไหร่มันก็ยิ่งหมดเลยเข้าใจถ้าอยากจะร่ำรวยเขาไม่ทําันละคนที่เขารวยเขาไม่ค่อยทำบุญกันหรอกแต่ชาติหน้าเขาจะจนเขากลับมาแล้วเขาจะไม่มีอะไรรองรับเขาอยู่เพราะเขาไม่เชื่อว่ามีชาติหน้าก็ถึงไม่ทํากันคนที่ทํำก็เพราะว่าเขาเชื่อว่ามีชาติหน้าก็ถึงทํากันคําถามจากคุณโสภิต เมื่อคือนนั่งภาวนาได้ห้านาทีไม่สงบลืมตาขึ้นท้อใจแล้วหลับตาใหม่อีกนิดเดียวลุกต้องลุกขึ้นเพื่อบังคับตัวเองแล้วได้อุบายใหม่ใช้มือขีดนับพุโทโธนับไปเรื่อยๆจนเพลินพอสักพักหยุดพุดโทโธทุกอย่างก็นิ่งหมดมนิ่งหมดอยู่นานแล้วเกิดเสียงดังในหูก็พุโทโธไปเรื่อยๆทีนี้ปวดท้องแน่นหน้าอกมีปัญหาเรื่องหายใจ ใจก็รู้อยู่แล้วพุโทโธต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับว่าติดลมไปต่อได้เรื่อยๆจะพัฒนาอย่างไรดีคะก็พุโทโธไปเรื่อยๆพุโทโธไปนานๆพุโทโธไปบ่อยๆตอนเริ่มต้นนี้ยังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่เพราะยังนมลุกคุกคาอยู่เหมือนเด็กที่กําลังหัดเดินยังยังยังเดินไม่ได้ยังวิ่งไม่ได้แต่ถ้าพยายามหัดไปเรื่อยๆต่อไปก็จะเดินได้ต่อไปก็จะวิ่งได้ ให ม, มายอย่าเพิ่งไปหวังอะไรเลยนั่งสมาธิห้านาทีแล้วอยากจะให้มันสงบนี่มันเป็นไปไม่ได้นอกจากว่าเราชำนาญแล้วเราเคยทำมามากแล้วในอดีตพอนั่งห้านาทีก็สงบได้ถ้ามันไม่สงบก็อย่าไปเสียใจอย่าไปท้อใจแสดงว่าเรายัางต้องทำอีกมากกว่าที่เราจะได้แต่ถ้าเราพยายามแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องได้ผลอย่างแน่นอนคำถามข้อสุดท้ายของวันนี้นะครับจากคุณสามารถนะครับ จิตของคนที่จะสําเร็จเป็นพระอาหารหันในชาติสุดท้ายจิตของผู้ปฏิบัติจะเป็นไปด้วยนิสัยวาสนาหรือเป็นไปด้วยความศรัทธาและความจงใจปฏิบัติครับเ อ, อมันอยู่ที่วิปัสสนานะถ้าเราถึงขั้นวิปัสสนาแล้วเราพิจารณาตายลักแล้วปล่อยวางความอยากได้หมดมันก็มันก็เป็นพระอาหารหันได้มันไม่ได้อยู่ที่อย่างอื่นทุกสิ่งทุกอย่างมันพาให้เรามาสู่ที่จุดนี้ ศรัทธาการทำบุญทำทานรักษาศีลการนั่งสมาธินี้มันเพื่อจะพาให้เรามาจุดของวิปัสสนาให้เรามาทำวิปัสสนาถ้าเราทำวิปัสสนาได้เราเห็นเห็นตายรักได้เราเห็นทุกข์ในสภาวะธรรมทั้งหลายได้เราก็จะละตันหาความอยากต่างๆได้หมดพอละได้หมดเราก็จะบรรลุปเป็นพาาระอรหันต์อยู่ที่ตรงการเจริญวิปัสสนา แต่การจะจะวิปัสสนาได้นี่ต้องผ่านการทำทานรักษาศีลถ้ายังมีสมบัติเข้าของเงินทองอยู่มันจะวิปัสสนาไม่ออกมันมันยังจะเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองอยู่คนที่จะวิปัสสนาได้จริงๆต้องคนหมดเนื้อหมดตัวไม่มีทรัพย์สมบัติมาต้องมาคอยรักมาคอยหัวมาคอยกังวลถ้ายังมีทรัพย์สมบัติอยู่ยังโงอยู่แสดงว่ายังไม่เห็นทุกข์ในสภาวะธรรมทั้งหลายยังเห็นว่ามันเป็นสุขอยู่ คนต้องเห็นทุกทุกเราก็จะสละทุกอย่างสละลาบยศสรรเสริญสละความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายสละร่างกายสละจิตแม้แต่ความสุขในจิตก็ต้องสละไปให้หมดเรามันจะหลุดได้เอาแล้วนะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้เอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิดพวกที่ส่งข้อค้างเข้ามาสาธุ <c oughs> ก็ช่วยบอกด้วยว่าผลเป็นยังไงอยู่ที่ไหนนะอย่าแทะกะอย่าดาวแต่สาธุสาธุอย่างเดียวช่วยรายงานผลไปด้วยจะได้รู้ว่าเป็นยังไงอยู่ที่ไหนกันบ้างก็อบอกมาได้บอกมาได้จะได้รู้ว่าเออ <c oughs> อยู่สวรรค์ชั้นไหนอยู่ <c oughs> อย่าอย่าสาธุเฉยๆสาธุเฉยไม่เกิดประโยชน์นะเวลายงานด้วยว่าอยู่ที่ไหนเสียงดีไหมภาพดีไหมเจ้าหน้าที่ทำงานก็จะได้มีกำลังจิตกำลังใจเอาแล้วนะขอุติไว้เพียงแค่นี้ครับับนะครับ